จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองปรากฏขึ้นแล้วนะบัดนี้วันนี้วันอังคารที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกขึ้นเาค่ำเดือนแปดปีมาเสง็งวันนี้เราก็จะว่าไปตามลักษณะของรายการ สงครามสังคมธรรมการเมืองคืออาตมาจะพูดไปคนเดียวบรรยายคนเดียวไปก่อน ค, ครึ่งรายการแล้วเกิดจะตอบประเด็นของผู้ที่ชมทางบ้านมาร่วมรายการเราได้อีกครึ่งรายการหลังราะนั้นผู้ที่อยู่ทั้งบ้านจะมาร่วมด้วยก็ส่งประเด็นเข้ามาได้ทางโทรศัพท์มีสองหมายเลขผู้ที่จะส่งมาถ้ายังไม่รู้ก็เตรียมจดเบอร์จดหมายเลขนั้ น, น หมายเลขที่หนึ่งคือ0885859115กับอีเครื่องหนึ่งก็0885859116สองหมายเลขทวนอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์เย็นส่งประเด็นเข้ามาได้0885859115 กับ0885859116นะอ้าวทีนี้เราก็มาบรรยายกันถึงเรื่องธรรมะต่างๆอ้าจะมาได้รับ s อ s เอสของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าพออธิบายไปหมกวานนี้วันที่สิบห้าก็เอ s เมเอมาเลยก็มีประเด็นที่เจาะรายละเอียดเข้าไปอีกทั้งที่ย้ำซ้ำอัตมาพูดแล้วพูดอีกแต่คุณแ7 0เจ็ดศูนย์ห้าก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ดูเหมือน้วกาศจะเป็นจริงเลยแล้วฟังไม่ได้สับก็จับมากระเดียด อะไรงี้เป็นต้นก็เลยแยงมาอะไรมาเดี๋ยวต้องฟังดูนะอาตมาก็จะเอาอันนี้มาขยายความก่อนนะคุณแต่5ุนาบอกว่าอันแรกเนี่ยเรียกว่าตั้งขอ้อตั้งแง่ตั้งข้อจะมาอะไรแต่ให้อาตมาเลยนะอันแรกบอกว่าดูเหมือนว่าไปเกณฑ์เด็กมาเรียน เพื่อสร้างภาพให้แก่ดอรอ ร, อรหันต์โพธิรักเรื่องเปล่ปลาอล่านั้นเลยคนะือ <c oughs> ฟังก็รู้ว่าอาอตมาจะไปเกณฑ์มาทำไมอาตมาไม่ใช่คณะอะไรที่จะต้องไปเกณฑ์ไปอะไรอาตมาพูดแล้วคุณไม่เชื่อหรอกว่าอาตมาเองอาตมาไม่ได้สร้างภาพที่นี่นี่นะโทรทัศน์ช่องนี้นี่เอเมทวนี่ยทุกบรรยากาศเขารายงานความจริง ก็ไม่ได้มาเกณฑ์ไปเกินอะไรอัตมาก็เอาของพระพุทธเจ้ามาตรัสอาธิษฐานแล้วเอามายืนยันว่าอัตมามาเสนอโภมาจันนี้มาเสนอศาสนานี้ธรรมนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัตมาก็เดินตามรอยโยคะรบาดของพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้ต้องการผู้มานับถือไม่ต้องการบริวารไม่ต้องการจะมาหาหลาภยศ ส, สการาสันเสริญอะไร เริ่มมาสร้างลัทธิเพื่อเป็นลมลัทธินั่นลัทธินี้หรือจะให้ใครมาเข้าใจว่าเรานี่แหมวิเศษวิเศษโศเก่กงกาจอะไรไม่เลยอัอตามามั่นใจว่าอัตามามอ่านจิตของตัวเองเป็นว่าอาการต่างๆเหล่านั้นในจิตเราเนี่ยมีอาการดังกล่าวนะไหมมันต้องการที่จะแต่บริวารต้องการให้คนมานับถือต้องการได้อามิตรต่างๆต้องการที่จะมาสร้างลัทธิมันใหญ่ฉะนั้นอัตามาก็เคยพูดแล้วว่ามันไม่ยายหรอก โซนี้ให้ตายไงมันก็ไม่ใหญ่หรือแม้แต่ศาสนาพุทธในโลกมีศาสนาพุทธก็ไม่ได้ใหญ่กับเขาเชื่อตามารู้ดีว่าคนจะเข้าใจศาสนาพุทธขั้นปรมาตารย์ไปพุทธแท้ๆได้เนี่ยมันเป็นเวนยสัตว์ในโลกเนี่ยยิ่งมายุคปลายที่มันจะถึงอัปปะไรยุคโลกประวักันอยู่แล้วเนี่ยมันมีแต่คนกิเลสห น, นาๆอ่า เพราะงะนั้นมันจะมีเวนยสัตว์ที่จะเรียนโลกุตตรธรรมได้สักเท่าไรกันอาตมาไม่ได้สับสนเลยนะเพราะอาตมาไม่ได้มาคิดที่จะหวังว่าจะต้องมีสร้างภาพมาหลอกลวงใช้เล่ห์ใช่เล่ห์เพื่อให้ต้องการคนมานับถือให้ต้องการคนมามงมากอ่าคุณเข้าใจไม่ได้หรอกคุณก็มองไปในแง่โลกโลกเพ่งโทษไปในคนที่เขามีเล่ห์มีเดียมเรื่องมีจิกกิเลสขออภัย อาตมา่ากกิเลอย่างนี้อาตมาไม่มีหรอกนะแต่คุณไม่เชื่อหรอกอาตมาพูดไปยังไงคุณก็ไม่เชื่อนะร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อให้แค่นี้แค่นี้ตกน้ําป้อมแปมสิไอ้เกเขาแสดงกันได้ก่อนนีเขาสาบานกันไม่เชื่อพี่หรอพี่รักเธอจริงๆนะให้แค่นี้แค่นี้ตรงน้ําป้อมแปมสิไอ้เกยเขาสาบานกันให้แค่นี้แค่นี้ขอผิดตรงน้ําป้อมแปมสอาตมาจําลิเกเก่าเขาได้อยู่เขาพูดกัน แต่ก่อนนี่ก็โอ้ยหัวเราะชอบใจที่เกมันเล่นคารมน่าสนุกก็ว่าไปนะในกคุณแปดเจศูนย์ห้าตั้งคอสอ ะ, อะไรจะได้มาซึ่งอาตมาก็รับฟังนะส่วนคนที่ยิ่งแย่กว่านั้นเลยเนี่นะอาตมาก็จะไม่ค่อยไปแตะเขาเท่าไรหรอกเพราะว่ามันไรสาระมันเป็นเรื่องของเจตนา ร้ายแรงอย่างคุณศูนย์ห้าห้าหกเนี่ย อ, อย่างคราวนี้ก็บอกใครสอนพอทอพอทอนี่พอทอคนนี้เขาก็ยังดีนะเขายังใช้คําว่าพอทอหมายความว่าพอทอนี่เพื่อเพื่อไทยหรืออะไรก็ได้พอทอทจริงๆเขาคงหมายว่าพอทำ น, นั่นแหละเขาก็ยังมีคํานี้ว่าคนที่หูตาจมูกลิ้นกายพิการหมดทุกอย่างนคนที่หูตาจมูกลิ้นกายพิการหมดทุกอย่างจะประฏิ บัตรปฏิบัติธรรมไม่ได้พอทอบ้าหรือเปล่าผมจะฟ้องดีเอสไอกระชากจีวรท่านให้ได้อย่างนี้เพราะงั้นอาตมา ก, ก็ไม่ค่อยแตะข้าวระคุณศูนย์ห้าห้าหกคนนี้เนี่ยเราเพราะว่ามันตำแบงหาพารมพาสาหาแง่าหาเชิงมาตีเล่นเล่นไม่ไร้าสาระ น, ะนะนะเป็นคนที่ชัดเจนในเจตนารมณ์มีอคตินะ ร้อห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแถมอีกห้าอห้าสิบ้าเอร์ซตแถมอีกห้าสิบแมร้อยห้าสิบไปอีกห้าร้อยห้าสบนส่วนคุณแ7 0 5จศนห้าเนี่ยยังมีแง่มีเชิงอะไรมีความมีเชิงที่เป็นภาษาวิชาการมีเรื่องราวอะไรก็่ะไรที่เป็นเนื้อหาของธรรมะเอามานี่ได้นะเอามาพูดได้ อ, อย่างคุณศูนย์ห้าหกยกตัวอย่างเมื่อกี้ น, นั้ว่าคนตาหูจมูกลิ้นกายพิการหมดแล้วจะปฏิบัติทําไม่ได้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วปฏิบัติไม่ได้หรอกปฏิบัติไม่ได้คํานี้มีแนวลึกโดวยว่าคุณปฏิบัติให้ตายคุณก็ไม่ได้โลกุตรธรรมจะให้ชัดจริงๆปฏิบัติให้ตายก็ไม่ได้โลกุตรธรรมเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต้คนตาบอดหูหนวกเลยปฏิบัติตนให้เป็นโลกียธรรมเป็นความดีงามนี่ได้ ได้หมดทุกคนแหละบอดหูหนวกอะไรใก็ทําได้แต่ในความหมายที่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าที่อัตมาหมายนี่มันหมายว่าไม่ได้บรรลุกรุตุระธรร ม, รรมนะเป็นเอาไวนยศาสตรนะ์ไม่ใช่อาไว้นยศาสตร์เป็นผู้ที่บกพร่องต่ออายตนะไม่ใช่อายตนะอาการสามสิบสองมันไม่เต็มนั่นมันปฏิบัติไม่ได้อนะก็เอาเถอะก็ให้ว่าไปนะ คุณศูนย์ห้าห้าหกนี่ก็ไม่ได้ไอนั่นอะไรหรอกทีนี้ต่อมาคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกอันที่สองบอกว่ารูปทั้งหมดมียี่สิบแปดรูปแต่พ อ, พ อ, พ อ, ร อ, พอทรโพธิรักฝรั่งทำเกิ น, นอ่าพอทรอนี้ฝรั่งทำเกินดันไปเอาสัญญาเวทนามาเป็นรูปอย่างนั้นเลยนะนนี่ก็อาตมาก็ว่าเออเขาก็เขาใจของเขาอย่างนี้จริงๆ นะเข้าใจจริงๆชัดเจนนะอาตมายิ่งชัดเจนเลยว่าคุณแปดเจสูนาเข้าใจคําว่ารูปแค่ใด mm. เพราะว่าสัญญากับเวทนานี่จะมาเรียกว่ารูปไม่ได้เลยน่ะเพราะฉะนั้นในรูปกายมันมีเวทนาตั้งตั้งที่คําว่ากายคําเดียวนี่แท้แท้นี่ยยังหมายถึงหมวดเจตสิกสาวเวทนานสัญญาสังขารที่พูดไปแล้วอธิบายไปหมดแล้วเอาตํารามาเปิดด้วยไหมเนี่ยอาตมาพูดเอาเองด้วย ในวันนี้ก็มีตำราเนี่ยนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเอาตำรานี่ชัดๆเลยนะในพระธรรมปิฎบบกนะข้อสองร้อยสามสิบเก้าบอกว่าการสงบนะการสงบระ ง, งับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระ ง, งับความสงบระ ง, งับ อย่างนี้เรียกว่ากายปัจสัตติแต่ว่ากายสงบนะเพราะการสงบที่ว่านี่ก็คืออาการก็อาการสงบการสงบระ ง, งับกริยาที่สงบระ ง, งับกริยาที่สงบระ ง, ง, ง, ง, งับความสงบระ ง, งับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนี่คือปัจ ส, ส, สัตติสมโพชฌงในสมัยนั้นในสมัยอีกแหละ ในสมัยใดที่มีสภาพนี้สมัยนั้นคืออาการของความสงบระงับปะสสตินะเพราะฉะนั้นขออธิบายแทรกอีกนิดหนึ่งในคาว่าในสมัยตอนนี้ก่อนคำว่าในสมัยเนี่ยมันเป็นขณะขณะที่มีสภาวะนั้นอยู่ตั้งอยู่นั่นแหละตอนนั้นแหละคือสมั ย, มยจะมีรูปหรือมีนามก็มีตอนนั้นจะมี สภาวะนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสมยะเนี่ยสมัยนะเช่นหทไยรูปฮทไยรูปที่อาตมาว่าท่านเป็นเป็นรูปอันหนึ่งในอุปาไทยารูปยี่สี่ฮัทยรูปเนี่ยถ้าแปลว่าที่ตั้งของใจท่านก็ไปใส่คําว่าหัวใจที่ตั้งของหัวใจที่ตั้งของหัวใจ ที่ตั้งของหัวใจก็เลยไปกลายเป็นสภาวะที่คนเข้าใจว่าเป็นที่ตั้งของใชเเ้เรื่องของรูปธรรมหัวใจคือไ อ, เอ้เครื่องสืบฉีดโลหิตท่ด้อธิบายกันว่าเนี่ยอยู่ในหัวใจนี่แหละที่ตั้งของอจิตวิญญาณที่ตั้งของใจมันอยู่ในนี้แหละอยู่ที่หัวใจนี่แหละอยู่ในห้องที่สี่ มีหัวใจมีสี่ห้องอยู่นห้องที่สี่อะไรเนี่ยอาตมาก็ติดใจแต่แต่อ่านพระอภิธรรมตรงนี้มานานแล้วละ่ะก็เออเขาก็อธิบายอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยได้พูดถึงยังไม่ค่อยอธิบายอภิธรรมตัวไหนมายุคนี้ตอนหลังนี้อาตมาอธิบายอภิธรรมเยอะประมาทเยอะมาตม า, ตม า, ตมาไม่ได้เห็นอย่างนั้นคําว่าหัตถยรูปสิ่งที่ถูกรูปเป็นหัตถยะเนี่ยมันหมายถึงนามธรรมาทแท้มันไม่ได้หมายถึงรูปธรรมเป็นที่ตั้งของนามธรรมา พราะนามธรรมที่จะเกิดเช่นวิญญาณจะเกิดตอนมีผัสสะตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณหูกระทบเสียงก็เกิดวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเพราะคําวิญญาณเป็นนามธรรมหรือเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณมันเกิดที่ใดเมื่อมีผัสสะใดไม่มีผัสสะใดมันไม่เกิดเมื่อมีผัสสะใดที่ตั้งมันอยู่ที่นั่นไม่ได้หมายความมาเชีย่ยที่หัวใจดอกรูปดอ ก, อกบัวที่มีอยู่ห้องที่สี่อะไรมไม่ใช่ ไม่ว่ามันมาฟิกซ์อยู่ตรงนี้มีที่ตั้งมีสถานที่มีอะไรไม่ใช่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เกิดในสมยะในขนาดที่มีผัสสะไม่มีผัสสะก็ไม่มีที่ตั้งมันจะเกิดไม่มีที่ตั้งมีผัสสะแล้วหัตถยาละก็มีจอนั้นไปที่ตั้งของสิ่งนี้หรืออายตนะก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีที่ตั้งอายตนะก็ไม่มีที่ตั้งหัตถยรูปก็ เกิดตอนนั้นมีตอนนั้นนี่เป็นเรื่องละเอียดอุปาทายรูปยี่สิบสี่นี่เป็นเรื่องละเอีย ด, อ, าาย อ, อ, ยดอุปาทายรูปเนี่ยเป็นรูปที่มันไม่ใช่มหาปุตตรูปสี่แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วหยาบๆแล้วอุปาทายรูปเป็นเรื่องของนามธรรมา ท, ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่บอกว่าคำว่ากายามันหมายถึงองประชุมของรูปและนามนี่คุณ แต่ 7, 7เจสูนานี่เขอีกอันที่สองนี่ก็บอกอ่าอันที่สามนอกจากว่าอันที่สาที่สี่อ่านให้ครบก่อนกันแล้วกันแล้วก็อธิบายทั้งหมดนะอัน os, อันต่อมาอันที่สามบอกว่าอวดรู้จักรู yt, นะปยี่สิบแปดังไนะอวดนะอวดรู้จักรูปยี่แปดแต่ต้องเปิดตำราแง่แน่มาแต่ overs, ต้องเปิดตำราแถมเถียงตำราว่าหัไทยรูปมิได้ตั้งที่หัวใจเห็นไ่มเนี่ยหัไทยรูปไม่ได้ตั้งที่หัวใจ พราะหัวใจนี่มันหมายถึง heart anatomy หมายถึง body heart anatomy ม, มันไม่ได้หมายถึงสป i r i t u a l มันไม่ได้หมายใจตัวนี้มันไม่ได้หมายถึง heart anatomy หรือว่า body <ต>ของรูปธรรมมันไม่ใช่นะขออภัยเชฟภาษาอังกฤษของตัวเองเก่งนักหนาเรื่องภาษาอังกฤษแต่คิดว่ามันจะเข้าใจได้ดีขึ้นเท่านั้นเองอาตมาพระจัตไทก็พูดเยอะแล้วว่ามันเป็นไม่ใช่รูปร่างเพรามันนั้นๆไม่ใช่รูปร่าง หัวใจอันนี้ไม่ได้หมายถึงที่ตั้งของรูปร่างเป็นที่ตั้งของสภาวะที่เป็นนามธรรมโอ้โหเป็นอรูปนะเป็นอรูปแต่อาจารมารอธิบายไปถึงสมยะในขณะที่มันเกิดนั้นมันต้องมีภษัษจัยเช่นวิญญาณ น, นี่คือใจวิญญาณ น, นี่คือใจภาษาไทยว่าใจวิญญาณคือใจสัมผัสถ้าไม่มีสัมผัสหายไปแล้ววิญญาณก็ไม่เกิดแต่คนก็พระพุทธเจ้าถึงได บริภาษทิศุสาติบอกวิญญาณเนี่ยเหลือร่องรอยไ ป, อไปเราไปอไปศึกษาต น, น, นไม่ใช่ตัว น, นั้นยังไปศึกษาตัว น, นั้นมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะมันลึกลับมันมันเป็นเรื่องที่เอามายืนยันไม่ได้นะมันที่อาตมาชาตแล้วเป็นเรื่องของพวกที่แมจิคอลมันเป็นเรื่องที่ซึ่งซึ่งซึ่งลึกลับมากซึ่งไม่ไม่รู้เรื่องได้นะจริงไม่จริงที่สุดไม่ได้เลยมันใช่วิทยาศาสตร์ทางจิต พระพุทเจ้านาี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะเพราะงั้นคุนนี่ก็ว่าอาตมานะอ่าที่จริงอาตมาพูดคําอธิบายของอาตมาก็พูดนะอาตมาพยายามแล้วนะว่าไอ้รูปทั้งหลายที่อาตมาพูดหรือว่ารูปนี่แปลอธิบายไปแล้วหรือว่าแม้แต่รูปนามอาตมาก็ขยายความนะ คำอธิบายของอาตมาอาตมามาพูดพยายามเอามาอธิบายด้วยภาษาเองก็ว่าอาตมาพูดเราเองพอเอาตำรามากลางมาอ่านก็ว่าอีกว่าเอาตำรามากางอ้าวหาว่าอวดอวดว่ารู้จักอีกเอาตำรามากลางแล้วก็อวดว่ารู้จักแล้วเอาตำรามาอ่านแล้วว่าอวดว่ารู้จักพูดด้วยภาษาอาตมาเองก็หาว่าพูดเราเองไม่มีในตำราไม่มีหลักฐานพอหลักฐานมาอ่านเอาตำรามากลางอ่านอีก อโอ้ยอตมาก็บตบจานนเนาะหาเรื่องว่าหมดเลยอ่าซึ่งคล้ายๆกับที่ความปรเพณีโบราณเขาบอขี่บนน้ําก็ไม่ได้ขี่บนบกก็ไม่ได้แลยไม่รู้จะไปขี่ที่บนน้ําหรือบนบกที่ไหนบนอากาศก็ไปขี่บนอากาศเมื่อแต่ราษาโบราณก็ไม่พูดถึงอากาศพะมันยังหอยังไม่ได้สมัยโบราณแล้วขี่บนน้ำก็ไม่ได้ไม่รู้มีที่ให้ขี่อะ่ะบนน้ําก็ขี่ไม่ได้บนบกก็ขี่ไม่ได้ โอ้เจะให้ไปขี้ที่ไหนวงเล็บบอรสระอ่ะไวขี้ที่ไหนลงวงเล็บเลยนะว่าบอรสร ะ, ะอะนะของอาตมาก็ของคุณแปดเจ็ดสองแปดเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่ายิ่งเห็นต่างกันไปมากนะแตกต่างกันไปน อก็นี่แหละอย่างเงี้ยก็ประชดประชันอะไรต่างมาว่าอจะหาว่าเอาตำรามายืนยันทุกวันนี้อาตมาก็มายืนยันมากเพราะว่าคนจะเข้าใจอย่างไม่มั่นใจว่าอาตมาพูดเราเองหรือเปล่าเพราะอาตมาอธิบายเองภาษาอาตมาแล้วอาตมาก็ว่ามันอย่างนี้มันถูกอาตมาก็ไม่ได้กลัวแล้วว่าอาตมาอธิบายเองแล้วก็เอาตำรามายืนยันเนี่ยมันอาตมาอธิบายผิดไม่ยืนไม่ไม่กลัวเช่นยัง คัทเยรูปอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ่าในตำราบอกว่าเป็นที่ตั้งของหัวใจคําว่าหัวใจในภาษาไทยหัวใจก็คือเอาดูไอ้ตั ว, ตวรูปร่างของหัวใจเลยแต่ตั้นที่ใจคํานี้ของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นนามธรรมใจคํานี้มันไม่ได้เป็นไ อ, อ, อ้รูปร่างตัวนั้นมันไม่ใช่ heart อานาตมีตัวนั้นเลยมันไม่ใช่อันนั้นเลยนะ <c oughs> ออ่แม้แต่รูปยี่แปดนี่ก็นะ รู้ยี่แปดแล้วก็ยังบอกไปอีกอันสุดท้ายนะี่ยาวหน่อยบอกมายาวหลอกสามพันทัดเองนะบอกว่ากายของคนกายของคนนะย่อมกรอบด้วยรูปนีม่มีอมือเล็บเรียกว่ากายกับนามในของมือเล็บว่ากายคือใจนะกายของคนย่อมกรอบด้วยรูปกับนามคือใจว่าไงเนี่นยนะ แล้วก็เขาท่านะักกายนี่ยเขาพูดเองนะกายคือใจเขาพูดนะเขาก็สรุปคุณเขาก็เขาท่านี้ชักตรีอาตมาโอ้ชักมีกาลังใจที่คุณนี่มีความรู้อาตมาไม่ได้บังอาจว่าเขาเาฟังอาตมาเข้าใจหรอกเขาก็มีความรู้อันนี้ว่าเอกายนี่ก็คือใจเนา ะ, นะกายของคนของคนนะฟังให้ดีนะเดี๋ยวอาตมาจะขยายความกายของคนย่อกรอบด้วยรูปกับนามคือใจ ทำไมถึงไม่พูดให้เขาใจง่ายๆอย่างนี้บอกงนั้นเลยนะอ่าทําไมไม่พูดให้ง่ายง่ายอย่างนี้คือเพราว่ากายเนี่ยกายของคนี่ประกอบไปได้วยรูปกับนามแตก่ก็คงเรียกคำว่ากายรูปกับกายนามกับกายแล้วก็ก็สรุปอีกว่าคือใจสรุปแล้วก็คือกายคือใจถ้าจะพูดว่ากายคือใจเดี๋ยวก็จะเมาหนักเข้าไปอีกคนที่ยึดกายคือร่างใช่ไหมก็จะเมาหนักเข้าไปอีก นมื่อมันจะแ yeah, ย่ก็เขา อ, อธิบายไปทีนี่ตอนนี้เขาไปคนสรุปเองนะก็ยังเข้าทีนะว่ากายนี่คือใจนะ อ, ะอตาตมาที่จริ ง, รงอตาตมาก็พูดว่ากายในยคือองค์ประกอบองค์ประชุมของรูปและนามตัวอักษรที่พิมพ์มาไว้เขียนเอ่านมันก็เคยอ่านพูดก็พูดไม่รู้กี่ทีนะอะ่แต่ก็อย่างว่าแล้วคนจังจับผิดนะเนาะก็ ว่าไปเรื่อยว่าอาตมาไปเรื่อยได้ไม่มี uh ปัญหาอะไรหรอกนะนะเพราะงั้นก็ค่อยๆขยายความอีกทีหนึ่งแล้วค่อยๆอาตมาอ่านให้จบซะก่อนนะจิตวิญญาณของคนอีกทีหนึ่งนะจิตวิญญาณของคนกอบด้วยรูปกับนามคือใจแล้วจิตวิญญาณของคนย่อมซ่อนทีนี้จิตวิญญาณของคนย่อมซ่อนอยู่ในกายจิตวิญญาณนี้ซ่อนอยู่ในกายอีกชั้นใดจิตวิญญาณของเทวดา ก็ซ่อนอยู่ในกายทิพย์จิตวิญญาณของเทวดาก็ซ่อนย่อมซ่อนอยู่ในกายทิพย์ฉันั้นโพธิรักษณ์อย่างโง่นักสิอตบท้ายไม่ไม่ลืมคําว่างงทุกคราวจะไม่ลืมอาตมาว่าอาตมาเป็นคนโง่ก็พูดอย่างนี้ได้เสมอก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่งโง่ก็โง่อาตมาก็ยอมรับเพราะว่ายำหรือเกินนี่ไม่เป็นก็ไม่ได้แล้วไม่โงงตามที่คุณแปดเจ็สุนาวาเไม่ได้ก็ต้องเป็นคนโง่ไปก่อนนะ มีคุณสู่แดนทมแสดงความเห็นมาว่าผมอ่านเอ s เอ็มเอสของ8705แล้วเถียงว่ารูปทั้งหมดมี28รูปแต่พทรขอพิรัตฝรัร่งทำเกินดันไปเอาสัญญาเ ว, เวทนามาเป็นรูปได้ไงทีนี้คุณสดแดนทก็แสดงความเห็นว่าผมเข้าใจแล้วว่าเขาไม่สามารถ มาถึงคุณเปจจสุ น, นาเขาไม่สามารถรู้จักคําว่ารูปที่เป็นกา ย, กายรูปที่เป็นกายเลยซึ่งคําว่ากายนั้นเป็นนามธรรมกายนี่มีนามเป็นนามธรรมใจ้ะว่าเป็นนามธรรมก็นี่เขาก็พูดเองว่ากายคือใจใจมันคือนามธรรมใช่ไหมกายนั้นเป็นนามธรรมที่ย่อมประกอบไปด้วยขันสามประกอบไปด้วยขันสามเสมอเช่น กายปัสสัทธิอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ย่อมได้แก่เวทนาสงบอ๋อเมื่อกี้อ่านไม่ยังไม่จบทีเดียวเนาะกายปัสสัทธิจบแล้วนี่นะแห่งเวทนาขัานธ์สัญญาขัานธ์ที่เป็นปัสสัทธิสมพูพชงอก็อ่านไปจบแล้วน ะ, ะเวทนาก็หมายถึงเวทนาสงบสัญญาสงบสังขารสงบไม่ได้หมายถึงคำว่าร่างสงบหรือพฤติกรรมกายกรรมสงบ วิจิกรรมสงบมันไม่ใช่อันนั้นมันหมายถึงเหตุตัวเหตุที่จิตเลยตั้งแต่ต้นทางเลยสมุดไทยเลยว่ากายมันไม่ใช่กายคำว่ากายถูหมายถึงว่าเวทนาในเวทนามันก็ไม่มีกิเลสรวบปรุงแต่งด้วยสัญญามันก็ไม่มีมันเป็นกายมันเป็นเวทนาสัญญาสังขารที่สะอาดที่สะอาดสงบหรือสะอาด เอาสาพฤฤาัสาพพุทธาสัพพุทธามาใช่สงบสะสว่างสะอาดสว่างสะอาดสงบมันครบนะมันไม่ได้หมายถึงกายไม่กระดุ ก, กระดิกลมไม่พัดไม่รับรู้อะไรนิ่งไปหมดแท่งก่อนใจก็ไม่ให้คิดไม่้นึกมันไม่ใช่สงบอย่า ง, ง น, น, นั้นนะเนี่ยึงเรียกว่ามันลึกซึ้งธรรมบู้า ค, คำภีราทุตสาธุรุนโพธาอย่างนี้จริงๆนะ เมื่อคุณนี่ก็เลยบอกว่าถ้ายัางไงก็ให้ไปคนดูในพระธริฎกเร่สามสิสี่อาตมาก็เลยหอบมาด้วยเร่สามสิบสี่จะมีบอกว่ากายะปัจทธิมีในสมัยนั้นเป็นฉันไหนกายปัจทธิมีในสมัยนั้นอาตมาขยายความสมัยไปแล้วเมื่อกี้นี้มีในสมัยสมัยนั้นเป็นฉันไหนการสงบการสงบระ ง, งับ กิริยาที่สงบกิริยาที่สงบประงับนะความสงบประงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนปจจัสัทิสัม พ, พุทธชงในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ากายปัจสัธิมีในสมัยนั้นเพราะกายจะสงบสมัยใดก็คือช่วงระยะที่ทคุณมีเหตุปัจจัยอยู่ครบพร้อม มันก็สงบอู่ช่วงนั้นถ้าคุณทำสงบนี้ได้ทุกสมัยเกิดเมื่อใดจะมีผัฒาเกิดอีกเมื่อใดไม่ได้มันก็สงบสะเทียนสงบตลอดไปนั่นคือคุณจบแต่ถ้าคราวนี้สงบคราวต่อไปมันไม่สงบคราวนั้นสงบอีกสองคราวไม่สงบสลับกันไปมันไม่สงบมันก็เกิดได้อีกเกิดไปเกิดมามันไม่สงบมีสงบไม่สงบ คุณก็ยังไปผีเข้าพีอ่อกอยู่คนเนีย้ยไม่บรรลุธรรมคือสามารถบรรลุธรรมโดยทุกสมัยมันไม่เกิดอีกแล้วมันสงบตลอดการตลอดไปจะมีผัสสะสมัยไหนเมื่อไรมันก็สงบทุกผัสสะทุกสมัยเข้าใจะละเอียดขึ้นนะอ่าเอาทีนี้อาตมามาทวนอประเด็นที่คุณนี่เขาว่ามานี่ชัดทัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง นะน่มามีประเด็นอยู่สองสามประเด็นนะ่ะกายของคนประกอบด้วยรูปนาม mm hmm. ขอย้ำ น, นะว่าคนนะกายยะของคนนะไม่ใช่กายยะของดินน้ำไฟลมเฉยๆคือกายขององค์ประชุมของรู ป, ปะรู ป, ปังองค์ประชุมของมหาภูต ร, รูปเท่านั้นไม่ใช่นะ กายของคนนะคุณนี่คุณพูดมาก็ถูกกายของคนที่เราพูดที่พูดถึงกายของคนแล้วจะเรียนรู้ในเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณของคนเรียนรู้เรื่องจะให้เป็นเป็น อ, อริยะหรืออร า, ารหันหรือลนทุกข์มันต้องมีนามธรรมานี่เป็นตัวหลักจิตเจตสิก ร, รูปนิพพานเป็นตัวหลักที่จะลดกิเลสในตัวจิตเจตสิกนี่เพราะฉะนั้นถ้าออกนอกนี้ไปแต่พอไปมัวไปมวนสับสนไปหากายมหาโพธิ ร, รูปอยู่นั่นน่ะ อยู่ในรูปร่างวัตถุวนไปวนมาอย่างนี้อาตมาว่าอาตม า, าเวียนหัวตามเลยนะมาวานด้วยเม่ไหวนะกายของคนย่อประกอบไปในรูปกับนามอย่างเขงยายืนยันนะว่าของคนหรือว่าของสัตว์ทั้งหลายนะแต่ชัดน่าจะสับสนนะตรงนี้นะอาตมาก็ว่าอาตมาพูดแล้วในประเด็นแรกที่คุณนี่พูดเนี่ยบอกว่าะอะไรบอกว่า ทำไมไม่พูดอย่างนี้นะอกายของคนเนี่ยทําไมไม่พูดว่าอยู่ประกอบไปด้วยรูปกับน้ําคือใจทำไมไม่พูดอย่างนี้ไปพูดอะไรมันเข้าใจยากทำไมไม่พูดเข้าใจง่ายๆอย่างนี้อัตมาว่าอัตมาพูดแล้วพูดอีขยายความขยายแล้วขยายอีกยกตัวอย่างยัจําได้เลยยกไอ้ฟักข้าวดีแล้วมันไม่ไม่ไม่ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำเป็นเป็นธาตุจิตจิตนิยาม อันนี้ยมันเป็นพรีชะยิ่งดิมน้ำไฟลมมหาภูตรูปมันยิ่งไม่มีใหญ่เลยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าองค์ประชุมของสัตว์เพราะมันไม่ใช่สัตว์มันพีชะแล้วมันเป็นอุตุหรือพีชะนี่มันอุตุนิยามพรีชะนิยามมันมันไม่มีน้ำมาทําที่มันเป็นตัวธาตรู้ที่ไปรู้อะไรอะไรได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราจะไปศึกษามันทําไมอะไปพูดถึงมันทําไมอ่ะ แล้วพอพูดถึงปรมาจิตอยู่นะเพราะฉะนั้นที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่า ก, กายในหมายถึงตรงประชุมของรูปกับนามนะยกตัวอย่างต่างๆนานาก็ฟังไม่ได้สับกระจัดไปกระเดียอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็เป็นธรรมดานะของคนทีนะ่เป็นความจริงของคนที่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละก็พูดออกมาเขาก็พูดอย่างที่เขาเป็นมันก็จริงมันก็ชัดเจนนะทีนี้คุณนี่บอกไปอีกว่า จิตวิญญาณของคนย่อมอยู่ในกายซ่อนนะจิตวิญญาณของคนย่อมซ่อนมีซ่อนเลนะซ่อนอยู่ในกายชั้นใดนะจิตวิญญาณของเทวดาก็ย่อมก็ซ่อนอยู่ในกายคลิปชั้นนั้นนะนี่ก็แสดงให้เห็นชัดว่านคําว่าซ่อนอยู่ในกายของคุณแปดเจ็ดศนห้าี่คือความเข้าใจของคุณแปดเจ็ศูนห้า เนี่ยมันเป็นของของคุณบาจสุน่าเองว่ามันมีในกายนี่นะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะคือมีเอ่อมีอะไรซ่อนอยู่นี่จิตวิญญาณเนี่ซอนอยนะ ซ, ซ่อนอยู่ในี่นะซ่อนจนอยู่ในใจว่า ง, งั้นเลยนะไปยซ่อนซ่อนอยู่ในกายว่า ง, งั้นเลยนะเนะี่ยซึ่งเป็นความคิดเห็นของคุณบาจสุน่าเป็นความรู้สึกเป็นความเข้าใจของคุณบาจสุน่าเลยนะทีนี้อาตมาเห็นนั่น ในกายเนี่ยกายของคนเนี่ยไม่ไม่ใช่มีจิตวิญญาณซ่อนอยู่มีจิตวิญญาณของคนเป็นหลักเลยไม่ใช่ซ่อนชัดเจนต้อ ง, องเลยนะอ่ามีกายอยู่ในกายของสัตว์กายของคนเนี่ยจะมีจะมีจิตวิญญาณมีใจดูดด้วยเสมอมีอยู่เป็นหลักสำคัญเลยทีเดียวทั้งในขณะที่เป็นรูปกาย ฟัภงภาษาในนะรูปกายในรูปก็คือกายที่ถูกรู้และเกี่ยวกับมหาพุทธรูปด้วยรูปในรวมทั้งหมดมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปนะรูปทังยี่สิบแปดเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีจิตวิญญาณนี่ชัดเจนเลยถ้าตัดเอาเอาย้อนพูดอีกใหม่ถ้าตัดไปเอามหาพุทธรูปสี่ไปมันไม่มีสิทธิ์เป็นกายของกำลังพูดถึงากายของคนกายของสัตว์ แม้แต่กายของพืชนี่กายของไอ้เจ้าฟักข้าวนี่มันก็ไม่ใช้เราไม่ได้หมายถึงอันนี้เลยอยาวมายุ่งกับอาตมาเลยอาตมาเยอะแล้วเอาอะไรมานนูนเนีย้ยพวกนี้สับสนตายแล้วคุณเองคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณสับสนน่วนไปวนมาอยู่นั่นแหล ะ, ะเพราะมันมีคําว่ากายนี่แม้แต่รูปกายก็มีจิตวิญญาณยิ่งเป็นนา ม, มากายยิ่งแน่นอนว่าเป็นองค์ประชุมของนามธรทำล้วนๆเลย ถ้าเป็นรูปธรรมนามัง ก, กายถ้ารูป ก, กายเนี่ยก็มีจิตวิญญาณเป็นตัวหลักอีกเหมือนกันเพราะว่าในกายของสัตว์หรือในองค์ประชุมนะในหมู่กองกายนี่แปลว่าหมู่ก็ได้แปลว่ากองก็ได้ของรูปนามเนี่ยที่เรียกว่ากายเนี่ยต้องมีหมูห่แล้ว่ามีกองของความประชุมของรูปกับนามซึ่งต้องมีหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นอยู่ในนั้นด้วยในองค์ประชุมนั้นด้วย อย่างสําคัญเลยแม้จะเรียกว่ารูประกายของสัตว์หรือของคนหรือของสัตว์ตวโลกหมดเลยที่เป็นจิตนิยามจะขาดนามมาทําไม่ได้ข อ, อยืนยันว่าถ้าถ้าคําว่ากายของความเป็นคนยิ่งมาเฉพาะคนเลยนี่นะเขาต้องศึกษาให้มันครบ่า็าิคนสนะัตว์เป็นจิตนิยามเนี่ยเป็นสัตว์ตวโลกทั้งหลายแหล่นี่ย่า ก็มีธาตุเขามวิญญาณของเพราะว่าเป็นจิตนตียา ม, มีกรรำครองหรือว่ามีวิญญาณครองใช่ว่าเป็นอุปาทินากาศสังขารมันไม่ใช่อุตตุนิยามหรือไม่ใช่ผิชนนิยามอันนี้มันกิตนิยามนะมันจินนิยามแท้ๆเพราะฉะนั้นกายของคนย่อมมีทั้งรูปและนามมีทั้งรูปและนามในการประชุมกันอยู่ไม่ขาดนามธรรมา ไม่ขาดนามมาทําเว้นแต่ว่าจะใช้ภาษาไปอธิบายเฉพาะความเป็นอุปาทายรูปทีนี้มันจะมาพูดรูปนะละเอียดเข้ามาหาอุปาทายรูปยี่สิบสี่เนี่ยทั้งยี่สบสี่เนี่ยโบราณาจารแจกออกมาอธิบายมาชี้รายละเอียดของอาการต่างๆอันนี้แหละนามกายตั้งแต่อุปาทายรูปนี่คือรายละเอียดของนามกายตั้งแต่กายในกาย อาตมาอธิบายมาจนกระทั่งนั้นเมื่อยนะเมื่อยแต่ก็ทนสู้สู้โพสิรักษ์สู้อธิบายไม่ถอยไม่หยบยอมหยุดหรอกรูปรูปเป็นมหาปุตรรูปตัดไปแต่ถ้าปฏิบัติทมแล้วมีสัมผัสแล้วนามจะเป็นตัวรู้และต้องศึกษาที่ตัวรู้พวกนี้คือวิญญาณหรือนามมรูปนามมรูป คือต้องถูกรู้นามาทําต่างๆ ต, ต้องถูกรู้รู้ไปว่าสิ่งที่ถูกรู้ตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณรู้หูกระทบเสียงก็เกิดวิญญาณรู้ก็นามารู้ทั้งนั้นจมูกกระทบกลิ่นก็เกิดวิญญาณรู้อะไรพวกนี้ยอธิบายบนซ้ําแล้วซ้ําอีกแม่มันก็ยากนะคนที่เข้าใจยากเนาะเข้าใจง่ายๆไม่ได้หรือเ่ยบ่าตรรมาะทด้วยนะพูดตอนนี้อาจามะก็พูดไปแล้วรูปนามนี่ก็พูดไปเท่าไหร่อธิบายอย่างนี้ไม่ได้ อธิบายไปแล้วพูดไปแล้วปากจะเปื่อยแล้วนะแต่คุณสังไม่ได้สับแล้วก็จับกระเดียดเอามาจัดเยียดว่าจะมาอีกนะเพราะงั้นในรายละเอียดของอุปาทายรูปนี่เป็นรายละเอียดตั้งแต่ไ ป, ปถึงกระทั้งสุดท้ายลักคณะรูปจนกระทั่งถึงระหุตามุทุตาชาระตาแม้ด้สุดอนิจจตาท่านก็แจกไวละเอียดหมดเลยนะ ในรูปยี่สี่อย่างนี้เป็นต้นนะคือเป็นอาการต่างๆของนามกายตั้งแต่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในะเวลาเระ่องของอุปาทายรูปเป็นลักษณะต่างๆของรูปที่ละเอียดมาตั้งแต่เป็นหยาบกลางละเอียดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ภาษาทรูปซึ่งจะต้องเกี่ยวด้วยตาหูจมูกริ้นกายภาษาทรูปโคจรรูปหรือวิสัยวิสัยรูป ต้องเกี่ยวด้วยรูปรสกลิ่เสียงสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นภาวะรูปเป็นอิทธิภาวะหรือปุริสภาว ะ, าวะแล้วอะไรไปต่างๆนานาอีกตั้งไม่รู้กี่กายอาตมา ก, ก็พูดไปโจกระทั้งพวทรักเอยทนเมื่อยไปเถอะแต่คิดว่าอาตมาอธิบายนี่นะผู้ที่ตั้งใจฟังด้วยดี ส, ดสุดสู้ซังจะได้ปัญญา ผูนะ้ที่ฟังไม่ไดยดีเพ่งโทษหางแงหาเชิงตำหนิแล้วก็รับไม่เข้าไม่รับอะไรอาบน้ากลัวเปียบเพราะนั้นไม่ได้อาบน้ำหรอกคนนี้นะมันก็ต้องเป็นธรรมดาของเขาอยู่เองนะนะสรุปแล้วคำว่าจิตวิญญาณย่อมอยู่ในกายเนี่ยไม่ซ่อนไม่ใช่จิตวิญญาณซ่อนอยู่ในกายนะจิตวิญญาณอยู่อย่างเต็มรูปเลย น ะ, นะคืออย่างนี้จิตวิญญาณของเทวดาทิพคุณนี่บอกว่าจิตวิญญาณของเทวดาของคนจิตวิญญาณของคนย่ำซ่อนในกายชั้นใดจิตวิญญาณของเทวดาก็ซ่อนอยู่ในกายทิพชั้นนั้นต้องงั้นเลยน ะ, นะจิตวิญญาณของคุณ น, นี่กายทิพของคุณเนี่ยกับกายทิพของอาตมาคนละอย่างแหละแตกต่างกันแล้ว ของอาตมานะจะหมายถึงกายทิพย์นะจะหมายถึงกายทิพย์ที่เป็นปรมัตต์ล้วนๆ น, นะมีรูปไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระกายทิพย์ของอาตมาที่หมายถึงนี้นะอะไม่ไม่ได้หมายถึงรูปร่างไม่ได้หมายถึงสรีระเลยเป็นนามธรรมาล้วนๆอ่เพราะฉะนั้นมันจึงจะรู้ละเอียดละ อ, อถึงรูประธรรม ของอุปาทายรูปยี่บสี่เพราะวมันเป็นนา ม, มาทํารว้วฟังภาษานะอัตมาใช้นามกับรูปนี่ต้นกันแล้วตอนนี้สิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปเพราะาในนา ม, มารูปหรือนา ม, มาทําที่มันเกิดที่ได้ไปแจกวิพังละเอียดไปในอุปาทายรูปยีิบสี่เนี่ยมันละเอียดไปจนกระทั่ถึงบางเบาและหุตาละเอียดไปจนะทั่งถึงมุทุตาว่ามันมี ชวนาจิตมันมีความไวเร็วเร็เรดัดได้ง่ายมุทุกแปลว่าอ่อนเนี่ยซึ่งมันจะแปลเป็นภาษาไทยนี่ยากยากแต่มาก็พยายามแปลเป็นไทยให้ฟังชัดๆนะอสภาวะมุ่งก็หาสภาวะนะมุทุกภูเต็มหรือว่ามุทุกรร ม, มัญญาปพัสราจากอุเบขาเนี่ยอุเบขามีองค์ธรรมห้าอะไรเนี่ยก็พูดกันมาจนเขาจะเมื่อยละนะนะเพราะงั้นในกายทิพย์ของคุณ กายทิพย์ของคุณแปดเจ็ศูนห้ากับกายทิพย์ของอาตมานี่ต่างกันแน่นอนนะของคุณแปดเจ็ศูนห้าหมายเอารูปร่างสรีระเท่านั้นนะมันก็เป็นมโนมยอัตตาเป็นอัตตาที่จะมีรูปร่างมีตัวตนสําเร็จด้วยจิตนะอัตตาสําเร็จด้วยจิตหรือว่ารูปสําเร็จด้วยจิตนะเป็นอัตตาของคุณเนี่ถึงได้บอกมีเทวดามีกายทิพย์ นะกายทริปของคุณแปดเจ็ดศูนห้าก็เป็นอย่างนั้ น, นมันก็ยังเป็นเรื่องเขาคนไหนที่เขาไปเล่นอย่างนี้เขาก็ไปดูปเขาแล้วเขาก็อธิบายอธิบายมาให้พิสูจน์ไม่ได้อย่างอาตมาอธิบายให้พิสูจน์ได้อาตมาท่างได้อธิบายในวันอาทิตย์ไปแล้วว่าไอ้อย่างนี้มันยังเป็นแบคทีเรอยู่ะของชาวแม่ จะเชี่ยนทั้งหลายแหลจะเป็นอย่างนี้พวกนี้พวกนักเล่นคนพวกนักเล่นความลึกลับอะไรพวกนี้จะจมอยู่เงนี้หรือศีคันธารีหรือศีมาณิกาเขาเอาไปศึกษาแต่มาไม่ได้ปเป็นเสศแล้วว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ได้เป็นสวาา่าคาตธรรมมันไม่เป็นมันพิสูจน์ได้เป็นสว่าขาตธรรมไม่ได้มันจึงคุณไก่เจสุ น, น่าก็พูดมาเองว่ามันยังเป็นภาวะที่ยังสัน้นสั้นอยู่สัน้น แต่ข้ออัตมาบอกมันไม่ใช่ซ้อนจิตวิญญาณมันต้งๆเลยรู้กันคนรู้ซะแล้วนั่นแหละแมจิเชียนคุณก็ลึกลับของคุณอยู่ยังพลางๆส้นๆบางๆส้นๆบางๆหลบ ๆ, ล, บๆลึกๆลับๆอะไรคุณอยู่มันไม่ชัดหรอกพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงสัมผัสอยู่ทนโทษเลยแม้เป็นนามธรรมเป็นสมภพัญญา เป็โลกุตระปัญญาที่เห็นแจ้งรู้จริงในผัสสะนั่นเลยผัสสะนามะทำด้วยไยอัตมาต้องแอคชั่นต้องออกท่าทางลีลานัจจคีตาวาติตาด้วยนะให้มันหนักๆ ห, ห, หน่อยเหนื่อยเหมือน น, นะศิลปินนี่ยากจังเลยที่จะแสดงคนอืนเข้าใจไปถึงขั้ น, นยิ่งขัน น, นามะมทำขั้นโลกุตระให้เข้าใจถึงจิตถึงวิญญาณเนี่ยโอ้ต้องแสดงกันหนักมน嘛ะ น่ะมันก็เลยลีลามันต้องรแปลงหน่อยจัดหน่อยศิลปศิลปศิลปินทุกกรตาทองเนี่ยอาตมาก็ยืนยันตัวเองมาตั้งหลายทีแล้วว่าอาตมาเป็นศิลปินทุกกรตาทองมันใหญ่กว่าทุกกระตาทอง <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ปูดแต่ภาษาอาตมาเนาะก็น ะ, อ, นะอันนี้ก็คือสภาพที่อาตมาพยายามนําของคุณ น, นี่มาขยายความ อาตมาว่าเป็นประโยชน์พวกคนที่ยังเข้าใจอย่างไม่ชัดเจนยังคลุมเครืออย่างส อ, อนซอนบังบัอยู่จะเป็นอย่างที่คุณแปดเจ็สซูน่านี่อยู่เยอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เห็นแจ้งรู้จริงอนะเห็นเห็นชัดเจนอย่างกระจกกระจา่างสัมผัสได้ส่วนทั่วแม้จะเป็นนามธรรมามันไม่เป็นแต่มันก็ได้อย่างนี้นะ่อะอาวละอาตมาก็ขยายความวันนั้นไปแถมที่นี่มา ขยายความต่อต่อที่เวลาเหลือเมื่อวานนี้นะที่จะมาขยายอยู่อธมโศเมื่อวานนี้นะว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันอะไรกันแน่นะมันมีรูปมีร่างหรือไม่มีรูปไม่มีร่างนะมีสรีระหรือไม่มีสรีระเพราะนั้นผู้ที่ยังวิชาทิฐิอยู่ยังเข้าใจผิดหรือยังอวิชชาอ่ก็จะ ที่อาตมาได้ขยายความยกตัวอย่างในเรก่อศิลปินท่านจะชี้ถึงนามธรรมอ่าจะชี้ถึงนามธรรมก็เขียนรูปให้คนสัมผ okay. ัสหรือว่าสร้างวรตณกรรมอะไรก็ได้จิตกรรมต่างๆปิมากรรมก็ได้อ่าสร้างงานวรรณกรรมมีศิลนามาแสดงแม้แต่น่าจะขี่ตาวดิตาอย่างที่อาตมากำลังแสดงอยู่นี่ท่าศรีลาสมุกเสียงสมเนียงอะไรต่างๆมาไรแบบนี้ ก็สื่อออกไปแต่อันนี้มันไม่ใช่รูปชัดเหมันก็ยังรูปเขียนถ้ายกรูปเขียนแล้วอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเ อ, อคนแต่งเสื้อนอกแล้วก็หัวเป็นควายหัวเป็นหมาหัวเป็นเสืออะไรนะั่นะนะ่ะหรือเป็นม น, นุษย์อะไรต่างๆพวกนี้ยที่อาตมายกตัวอย่างมาประกอบเพราะฉะนั้นศิลปินเขียนภาพออกมาเนะี่ยใครสัมผัสแล้วคนที่มีปัญญาพอไม่เดียงสาไม่ใช่ไม่ที่เดียงสาแล้วมันก็รู้แล้วว่าเขาหมายถึง อะไรอันหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวรูปร่างคนแน่นอนเพราะคนอย่างนี้มันไม่มีหรอกนอกจากจะเด็กเล็กเล็กที่อธิบายขยโยตวอย่างแ อ, อ่าลูกเล็กๆเขายังไม่เดียงสาถามเขาเห็นรูปนี้แล้วก็ถามพ่อพ่อคนหัวเป็นควายอย่างนี้มีด้วยเหรอเ <c oughs> ขาไปเดียงสาเขาก็ไม่รู้แต่คนเดียงสาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะงั้นถ้าภาพนี้จิตกรรมวันนี้อ่านพอสัมผัสแล้ว มันรู้เลยว่าก็หมายถึงอ๋อมันหมายถึงคนจริงๆนะที่จิตมันเป็นสัตว์สัตว์เดรัจฉานพวกนี้ด้วยมหาต่างกันจะควายยังไงควายต่างกันกจะเสือยังไงเสือต่างกันจากมนุษย์ยังไงใช่ไหมมันจะเข้าใจอย่างนี้คือศิลปะขั้นแอบสเตรคขั้นนามธรรมให้เราอย่างไปรู้ถึงจิตวิญญาณมันหมายถึงจิตวิญญาณนะเป็นสัตว์พวกเนี้ยมันได้หมายถึงรูปร่าง ไม่ใช่ว่าเอาโอ้โหไอคนนี้ข้างในของมันเป็นเสือที่เป็นรูปร่างมีเขี้ยวแล้วก็คอยกัดกัดกินพุงกินตับกินไตตัวเองแม้จริงๆนี่อธิบายเป็นภาษานี่มันใช่เลยนะเป็นศิลปะแท้ๆเลยถ้าอาจาจะอธิบายว่าเนี่ยเสือมันอยู่ในภุงขคุณน่ะเสือมันอยู่ในร่างกายของคุณนะ่ะเสือมันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณนะมันกัดกินตัวคุณตลอดเวลาเลยคุณฟังเข้าใจไหม เป็นภาษาเป็นภาษาที่เป็นวรรณกรรมนะเป็นศิลปะนะสื่อถึงนามาทำนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าในจิตวิญญาณเนี่ยอมันไม่มีรูปร่างนี่อาตมาก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะแม้กระทั่งที่ยกตัวอย่างพวกศิลปินทั้งหลายแหละที่ไปเขียนมาอะไรต่างๆนาน า, นานเนี่ยนะแล้วก็มีผู้ที่ไม่ใช่ศิลปินนะพวกอบอกแฝงตัวนึกว่าตัวเองเป็นศิลปิน ก็เขียนรูปคนเนี่ยเป็นนานาสารพัดเป็นรูปร่างนั้นโดยเฉพาะวาดรูปผีคนนี่มันตายแล้วไปเป็นผีโอสารพัดจะจะเขียนจะวาดภาพวาดรูปมาหลาคนเข้าใจผิดตัแล้วบอกว่าตายไปแล้วจะเป็นรูปร่างเนี่ยผีเนี่ยเป็นผีเนี่ยผีเปรตผีอ่ขโมดผีของไก่ผีอะไรผีก็ซื้อผีอะไร ต่างๆนาน า, นานเนี่ยคนก็ยึดรูปร่างและติดรูปร่างไปหมดเลยมันจึงทําให้คนทุกวันนี้เนี่ยพอพูดถึงนามธรรมพวกนี้มันมีสรีระไปหมดมันเลยติดอยู่แค่แค่สรีระให้ไปอ่านอาการลิงคา น, นิมิตอุเทศอ่านอาการของจิตที่มันมีอาการว่านี่นะอาการสุขเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีรูปร่างนอาการสุขหรือเป็นสัตว์นรกนี่คือทุกเป็นสัตว์เทวดานี่คือสุข และเทวดายังแยกไปอีกเป็นเทวดาโลกุตตร์นเรียกว่าอุบัติเทพสมุติเทพก็มีอาการเป็นตัวแสดงทั้งนั้นก็เลยยิ่งยากใหญ่เลยยิ่งแยกเป็นสมุติเทพเป็นอุบัติเทพแล้วมันต่างกันยังไงลิงคะยังไงก็เลยยิ่งยากใหญ่เลยเพราะไม่ได้เข้าถึงอาการที่จริงอาการลิงคะนิมิต ท, ที่จริงไปติดอยู่แค่แต่รูปต้องมีรูปให้ดูซะก่อนที่อา้าวแล้วมันจริงๆมันจะไปมีรูปได้งไงยิ่งะละเอียดไปถึงขัดปัิสัทธิ คุณจะเห็นอาการปฏิสัทธิได้ไงอ่เวทนามันปฏิสัทธิสัญญาปฏิสัทธิสังขารมันปฏิสัทธิเป็นปฏิสัทธิสาโพชิจงคุณจะรู้ได้ยังไงลราคุณมันรู้ความสงบแล้วอ่ะคุณก็ยังไปติดใจความสงบก็กลายเป็นเรื่องนิ่งแข็งสงบคือไม่ใช่เรื่องของเวทนามันสงบจากกิเลสไม่ใช่มันสะอาดจากกิเลสสัญญามันสะอาดจากกิเลสสังขารมันสะอาดจากกิเลส คณแยกไม่ออกเลยสงบพวกคุณก็คือนิ่งเฉยเป็นภาวะหยับหยาบตื้นต้งง่ายๆของรูปปรถมแท้ๆรูปปะรู ป, ปังเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปเข้าใจในเรื่องของ เ, อเดี๋ยวที่ท่านบอกว่ารูปรูปยิบสีเนี่ย อาตมาก็ไม่รู้ไปวางไว้ไหนแล้วทิ้งไว้ไหนแล้วมาดูอไม่ได้หยิบขึ้นมาที่มันเป็นอาการเคลื่อนไห ว, วให้รู้เนี่ยนะเป็นวิการรูปเรื่องมันเคลื่อนไหวให้รู้มันจะรู้อะไรไงว่าเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวแล้วเวทนาไม่มีอาการของกินเองเคลื่อนไหวในเวทนาแล้วเวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์ มันไม่มีละอาการแยกละเอียดลงไปถึงอาการของกิเลสหยาบกลานละเอียดแม้แต่สุดขั้นอาสวะก็ไม่เหลือเพราะได้จัดการทําลายมันมาหมดไปแ ต, แต่แต่ขั้นตจนวิติกรรมกิเลสก็หมดแล้วปรนที่ยุท้ายกิเลสก็ไล่กล้านมาหมดแล้วไม่เกิดอาการนี้อยู่ในจิตเลยสุดท้ายอนุสัยกิเลสหรืออาสวะมันก็ไม่มีคุณจะเห็นความปฏิสทธิได้ คุณจะรู้ว่าการรูปมีการรูปพวกนี้ได้เลยออาตมาไม่แน่ใจว่าใช้คํามิการระรูปถูกหรือเปล่านะเพราะว่าอาตมาลืมไม่ใช่ลืมหรอกไอ้คาว่ารูปพวกนี้เนี่ยมิการระรูปอ้ออไม่ใช่มิการรูปมันหมายความว่าจัดการเปลี่ยนแปลงรูปถูกถูกเปลี่ยนแปลงมิการระรูปมายคำว่ารูปที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปได้นะ ซึ่งจะสูงไปถึงขั้นเป็นลัหุตาเป็นมุทุตาอย่างนี้เป็นต้นนะที่อา ต, ตมาพูดไปแล้วนะเป็นกรรมยตตาเป็นกายกรรมญญตาพรงเนีย้ยนะหรือเป็นวิญญาตรูปอันนี้แหละวิญญาตรูปนี่แหละคือการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวต่างๆนะจนกระทั่งเคลื่อนไหวมาเป็นนามธรรมจข น, ข น, น, ขนขั้นขั้นนอกเป็นขั้นกายวิญญาณติกายกวิญญาต วจีวิญญาตจนกระทั่งมาเป็นอาการอีกรูปอีกสองในวิการรูปรูปที่ปรับปรุงจัดแจงแลวจนกระทั่งมันมันไม่มีแล้ววัจีสังขารก็ไม่มีนะกายะสังขารเป็นองค์ประชุมทั้งหมดกายะทั้งหมดก็ไม่มีหรือเศษส่วนแค่วัจีสังขารก็ไม่มีจึงไม่มีทั้งกายวิญญาตไม่มีทั้งวัจีวิญญาต ในตัววิการรูปเพราะมันละเอียดลงไปอย่างนี้คุณจะรู้ได้หรือวิการรูปมีห้ามีละหุตาคือความเบามันเบามัน ม, น ม, นมนไม่หนักแล้วอ่ามุทุตาคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไวมุทุตานีมันอ่อนดัดได้ไม่แข็งกระด้างไม่ปัญญาก็แววไวเจโตงก็ปรับให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ให้สามารถที่จะนั่นแหละก็จะวิกาะนั่นแหละจะ ปรับปรุงดัดแปลงมันให้มันเป็นยังไงให้มันจบมันเป็นยังไงมันได้คล่องตัวเลยเรียกว่ามุทุพูตธาหรือมุทุภูเตมุทุพูดหรือมุทุเฉยๆเนี่ยมุทพูตะก็แปลว่าตัวเจตปิญญาณ น, นะเพราะฉะนั้นในลักษณะละเอียดลาออกขึ้นไปถึงขั้นวิการรูปกันดีที่สุดลักษณะรูปถึงขั้นอ่าอ่า อุปจัยะาการสภาพที่มันอันนี้ตายอันนี้เกิดแล้วก็เกิดเจริญขึ้นกิเลสตายเทวดาเกิดอุบัติเทพกิเลสคอไปกิเลสลดกิเลสจางคลายลงอุบัติเทพก็คือเกิดกิเลสลดลงไปลดจนกระทั่งไม่มีอุบัติเทพก็เป็นวิสุทธิสมัยใดเป็นวิสุทธิก็เป็นตทังขปะหานเมื่อ น, นั้น พอไปเป็นสมุทรเฉดทัพะหารเมื่อนั้นได้ไปครั้งนั้นครั้งกล่าวนั้นแล้วมาสมุทรเฉดเมื่อนั้นเป็นสมัยสมยสมยะสมัยกาลนั้นขนาดนั้นทําอีกปฏิปักษ์ที่อีกปฏิปักส์ทธิอีกจนกระทั่งสมบูรณ์เป็นปฏิปักษ์ที่ทั้งเวทนาปฏิปักษ์ทีิทั้งสัญญาปฏิปักษ์ที่ทั้งสังขารก็สงบเป็นปฏิปักษ์ทธิสมโพธิชน์นะ เมื่อแม้แต่ที่สุดมันไม่ไม่มีอะไรแล้วนอกจากมันจะมีตัวเติบโตมีตัวตายแล้วก็มีตัวเติบโตเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ดับดับไปไอ้สิ่งที่มีอยู่มีที่ก็เคยเอาคำวิจารณ์มามามามายืนยันบอกว่านิโรธที่เกิดจากหรือความอุเบกขาที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็มีอยู่ อุเบกขาเรื่อนีร้รวที่เกิดจากการศึกษาก็มีอยู่เพราะยังการศึกษาก็คือศึกษาไตรสิขาของพระเจ้าก็เป็นอุเบกขาในขมะแต่มันเกิดสามันก็เป็นเคหสิตตะอุเบกขาเพราะว่าเกิดอยู่มันก็มีอยู่ผู้ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาไม่สัมมาศึกษาไม่บรรลุผู้บรรลุจึงด้วยการศึกษาอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสามัญสามัญมันละเอียดลึกซึ่งอย่างที่อาตมาพยายามแจกแจง น, นี่นะอ่าก็แม่อตมาว่าอาตมาก็เอาจริงเอาจังนะนะพูดหูเน้นแล้วเน้นอีกนะปรุงแล้วปรุงอีกไม่เพื่ออะไรหรอกเพื่อให้มันชัดนะ่ะไม่ได้เจตนาว่าจะไปข่มเป็นเบ่งไ ป, ป, ป, ป, ปอวดดีวดีว่าฉันเก่งฉันรู้อะไรไม่อ่า ถ้าอาตมาจะพูดได้ถูกต้องพูดได้ลึกซึ้งพูดได้วิเศษวิเศษโสเพราะอาตมามีของจริงพูดออกมาแสดงออกมาอาตมาก็เป็นอนนั้นแล้วแต่ถ้าอาตมาจะไม่มีแล้วอาตมาก็มาเสแสร้งพูดระเสแสร้งเสแสร้งทำอาตมาก็อวดอยากดังดอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราวิเศษก็ใช่แต่อาตมาว่าอาตมารู้ภาวะภาวะที่พูดไปเมื่อกี้นี้อาตมาไม่ใช่ลักษณะอันหลังนี้ที่จะมา ทำไม่อวดแต่อัตมาว่าอัตมามันมันไม่จริงใจอ่าจิตตัวเองอ่านได้ก็บอกจิตตัวเองอ่านว่าไม่มีก็ไม่มีมันมีก็มีรายละเอียดยังไงก็อธิบายไปอย่างที่พูดเนี่ยทําได้ก็ทําได้ไอธิธรรมไม่ได้ว่าอัตมายังไม่มีอย่างนี้อ่งี้ก็บปฏิเสธไปตั้งหลายทีแล้วว่าอันนี้ไม่รู้อัตมายังเข้าไม่ถึงก็ไม่เอาไม่พูดนะอันนี้พูดได้ก็ตอบนะแม่จะถามมาก็ตอบไปสิ่งที่เรามีนะ เพราะนั้นผู้ที่จะเห็นความเป็นสัตว์ทางจิตใจเนี่ยหรือเป็นผีเป็นเทวดาเนี่ยความเป็นสัตว์ทางจิตใจความเป็นผีเป็นเทวดานั้นไม่มีรูปไม่มีร่างเพราะนั้นกายทิพย์ที่คุณแปดเ็ดศูนห้าว่าเนี่ยกายของคุณ น, นี่มีรูปร่างกายทิพย์ของคุณนะอยู่ในกายเนี่ยและมีทิพย์ซ่อนแฝงอยู่ในนั้นทิพย์ของเขานี่หมายถึงซ่อนแฝงอยู่กายนี่เขพูดถึงรูปร่างเลย กายทิพย์ก็คือมีจิตวิญญาณซ่อนแฝงอยู่ในนั้นไงตามความคำพูดของคุณแปดเสุน่าอ่านประโยๆนี้เองใช่ไหมเพราะความจริงมันไม่มีกายแฝงหรอกมันมันชัดๆเลยมันเป็นทิพย์ที่เป็นองค์ประชุมของนา ม, มันาทำแท้ๆไม่ใช่แฝงนะเห็นด้วยญาณปัญญาชัดแจง้งชัดจริงเลยไม่แฝงไม่คลุมเครือไม่วิจิกิจฉ้า เป็นสมัครปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงสัมผัสเห็นความจริงตามมือแล้วสัมผัสสิ่งนั้นด้วยนามมาทํานั้นสัมผัส ด, ด้วยสัมผัสผีสัมผัสผเทวดาอย่างนั้นด้วยมันไม่มีรูปร่างแต่มันเห็นได้โดยอาการมิขั้นิมิตเครื่องหมายอย่างนี้เทวดาคือสุขสุขที่เป็นสมมุติก็คือสุขโลกีสุเกหะสิตะโลกีสมานัตเกฮติตะสมานัตเวทนาสุขของ โล ก, กุตระเป็นเอกมสิตะโสมนัสเนตนาก็เป็นสุขที่ไม่ไมไ่มีอะไรซ่อนอะไรบงังเป็นลีลาอาการเรื่องหมายว่ามันสุขยังไงเราเป็นผู้รู้นิมิตนั่นเองนิมิตที่ไม่มีเส้เสนแสงสีเสียงไม่มีชรีระแต่เป็นอาการกิริยาของนามธรรมจะได้อาการนึกกิริยาของนามธรรม มันไม่มีเส้นแสงสีซึ่งไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโครงอนั้นเลยเพราะรกายของคุณแปดเจสุนยังมีรูปร่างสีสันตัวตนอยู่อที่พูดเนี่ยแล้วจิตวิญ ญ, ญาณซ่อนอยู่ในนั้นอยนะ่างแล้วเมื่อไหร่มันจะตรงตัวถูกฟาถูกตัวสักทีเนี่ยจะพูดถึงจิตวิญ ญ, ญาณจะเป็นดันออกกายเนี่ยมยืนยันเมื่อกายทิพย์แล้วทิพย์ที่ว่านั้น คุณก็ยังไม่เคยรู้อีกยังเป็นของสัอ้นอีกทิพยนั้นยังเป็นของส่อ้นอยู่ในกายนั้นอีกโอยแต่ขวงเรามันไม่ได้ซ่อนเลยมันตรงตร ง, งเลยนะเพราะงั้นถ้าเพราะว่าผูดด้ใดสามารถรู้ชัดรู้เจนเห็นทีเห็นเทว ด, ดาอย่างไม่มีรูปร่างนะผู้นี้แหละตาทิพย์ เห็นความเป็นสัตว์ทางจิตใจความเป็นผีเทวดา น, น, นั้นด้วยอาการลิงค์ะนิมิตอุเทศตาดีพระเจ้าเธอตรัสไว้ว่าเห็นนามารูปนี้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศในปัตติบดกเล่มสิบแม่ขอยืนยันขอย้ำหน่อยเธอว่าเก่งจำได้อะมันจำได้ไม่มากจำได้ไม่มากเคยอันนี้ได้ของยืนยันว่าเก่งอ่าเล่มสิบข้อหกสิบเนี่ยว่าเก่งไหมจำแม่แมแมนๆเนี่ไม่กี่ข้อหรอกไม่กี่เล่มหรอกอ่า จะจําได้เดีอนรูปนามวันนี้เพราะว่าอาตมาตราตรึงใจเลยว่าโอ้โหสอนกันมาไม่ได้สอนสภาว่าจิตเจตสิกนี่รู้เป็นนามรูปเนี่ยรู้ต้องรู้ได้โดยอาการหลิงคันนี่มีอุเทศไม่เห็นใครก็พูดในปรมาติในพระพิธรรมก็ไม่เคยเห็นเขาพูดกันเลยอาตมาอาวตาตายตายถ้ามันไม่รู้จักอาการไม่รู้จักหลิงค้าไม่รู้จักลิมิตและฟังอุเทศไม่เคยเข้าใจพูดอย่างอาตมานี่เขาแสดงนี่คือแสดงอุเทศแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะไม่เอามาพูดกันแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้กันนะ ขนาอัตมาแสดงอุเทนนี่จนคุณว่าอัตมาเมื่อไหม <S <S เออสาธุขอบคุณที่เห็นความจริงมันเมื่อเหอนกันนะนะนะนะซึ่งคนจะเชื่อหรือจะเข้าใจได้นั้นยากยากยากยากมากมากมากมมา ก, มากจริงจริงจริงจริงริงเลยยากยากยากยากมากมากมามากจริงจริงริงริเลยนะคนมากก่อนมาก นะจึงยึดถือคือมีอุปทานเะนี่ยยึดถือว่าความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณมีรูปร่างมีโฉมร่างคือมีสรีระไม่หมดไปจากโลกรอกคนจะติดอย่างนี้เป็นเทวนิยมก็ใช่เลยแม้เป็นชาวพุทธที่บอกว่าอะเทวนิยมแล้วก็ยังเห็นปีเห็นเทวดาเป็นรูปร่างอยู่อย่างนั้นอีกไม่หมดไปจากโลกหรอก เขาจะมีญาณปัญญาจนสามารถมีตาทิพหรือเรียกว่ามีวิชาปแปดมีวิปัสนาญาณเป็นต้น่างถูกต้องตามสมาิถที่ของพรธเจ้าแล้วก็หายากเพราะความไม่มีพุทธิปัญญาแต่ก็เพราะไม่มีพุทธิปัญญาอย่างที่ว่านี่แหละจึงพลอยพาให้เข้าใจว่า แม้แต่ความเป็นจิตเป็นวิญญาณก็มีรูปร่างมีโฉมกายเหมือนสัพท์เหมือนบุคคลที่มีร่างกายเงี้ยเข้าใจพอตายแล้วก็เดินย่องย่อกไปมีรูปร่างเลยวิญญาณออกจากร่างแล้วคนตาที่เห็นเนอะนะเดินย่องย่องเลยเคยได้ยินกันพูดกันไหมเอเนี่ยเห็นวิญญาณคนตาทิพย์ก เ, เห็นคุณตามพิทิศไม่เห็นหรอกนะออกทางหน้าผากออกทางจมูกออกทางสะดือ อแล้วแต่เขาก็บรรยายกันไปโอ้โหเห็นเป็นรูปร่างเนี่ยนะและรูปร่างอย่างที่อะคุณมีรูปร่างนี้ตอนเป็นๆนะอรูปร่างอ่ะสรีระของคุณรูปร่างของคุณนั่นแ่ะพัเรทของคุณเนี่ยอย่างนี้อตายไปแล้วก็เป็นพัเรทดังนั้นคุณอีกออกไปเดินโยงโยงวิญญาณมีรูปร่างนั้นนหะเขาก็หมายถึงอย่างนี้ ซึ่งวิญญาณอสรีร่างไม่มีรูปไม่มีร่างออกจากร่างนี้แล้วไม่ได้เหลืองี้หรอกถ้าเหลืองี้ก็ติดไปสิตาแล้วก็ไปงี้ไปเข้าท้องพ่อท้องแม่ใครอีกออกมาก็ต้องรูปร่างเก่าสิใช่ไหมคนนี้ก็ต้องรูปร่างเก่าหรือไม่เหลือเก่ามันก็ต้องมีเชื้อเก่ามาติดออกมาเยอะก็เป็นรูปร่างคล้ายๆพ่อแม่คู่ใหม่กับของเก่าขอ ง, งเรามาด้วยอย่างงั้นจริ พวกใคร i, ชาดดาวินหรือใครตะกัก็ต้องค้นพบแล้วส <c oughs> นะิโอ้นะเพราะฉ้นได้เข้าใจว่าจิตวิญญาณนี่มีรูปมีร่างเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลมีรูปมีร่างเป็นตัวเป็นตนตามที่ตาเนื้อเห็นน่ะแหละน่าก็จะเป็นงั้นอ่าจึงเชื่อสนิทในใจว่าความเป็นจิตเป็นวิญญาณนั้นมีรูปร่างโชมร่างคือมีสรีระมีตัวตนมีอัตอตาเหมือนกับจิต ตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสนะกระทบรสภายนอกสัมผัสเสียดสีเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นฝนสะพารลมก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นวิญญาณเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่จริงมีอยู่จริงในทุกมิติเขาก็จะเข้าใจทุกมิติมิติที่เป็นกายหยาบมิติที่เป็นกายละเอียดมิติที่ตายไปแล้วทุกมิติเขาก็จะเห็นอย่างเชื่อว่ามีรูปร่างอยู่ทั้งนั้นทุกพบที่มีจิต ไม่ว่ากามาพบรูปมพบรูปมพบแม้แต่ในพบที่มีตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกก็จะเห็นจิตวิญญาณแม้ต่งตางแต่ไปนอกคนตาที่เคยเห็นเดินยงยงนี่เลยเห็นวิญญาณคนตายมาแล้วนี่เปิดปรากฏกายเฮ้ยว ะ, ะเคยได้ยินไหมล่ะโอ้คนตายที่ก็นี่วิญญาณคนนี้เป็นนี่เดินยงยงวิญญาณสัตว์หรือวิญญาณผีวิญญาณคนวิญญาณเห็นอยู่นี่น่ะ แม้แต่เป็นๆ น, นี่ใช้ตามองเห็นนี่เห็นนี่โอ้โหได้ยินเสียงเลยเนี่ยนี่เสียงนี่มาพูดอยู่นี่นี่นพวกนี้หมอเขาบอกว่าพวกโรคแววโรคหลอนรูปกรู้ปหลอนเสียงก็เสียงหลอนอะไรพวกนี้มองเขาบอกมันประสาบโลกประสาบมันก็ยังมีรูปรสกลิ่นเสียงพลตภะอะไรอยูอ่อจึงยังเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับการกระทบสัมผัส นี่คุณเอาของเก่ามาหน้านี่อันเนี้ยไม่ใช่ของใหม่หน้าเนี่ยนะ ม, มันมันมันคนละชิ้นคนละอันกันแล้วหน้าห้าหน้า ห, าห้าหน้านี่หน้าห้าอาจจะมีรูปมีร่างมันเลอะไปอีกทางนั้นก็าตรงลากขึ้นไปสูงขนาดเราเขียนใหม่หมดแล้วจิตญาณมีรูปมีร่างจึงจอเกิดโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ใช่อันนี้คุณไปอ่านไหนมาผู้ที่ตายจากร่างอ้อ ผู้ยังมีสมาธิธิแต่อันนี้ไม่มีแล้วลบไปแล้วเนี่ยพอพอพอพอเนี่ไอ้ตัวนี้มันไม่มีแล้วอันนี้เนี่ยติปริ้นใหม่ให้เนี่ยเอาไปถ่ายเอาอันเก่ามาไปเอาอันเก่ามาเปิดดูหรือไม่ได้ถ่ายใหม่เลยก็เอาเอาเอาเอารอบลองไปก่อนเนะมันมีเกา่าใหม่เพราะแก้อยู่ทุกวันน ะ, <ส>นะเพราะงั้นผู้ที่ยังมีสุขมาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อยู่กับกากะทบสัมผัสนี้ทั้งนั้นนะ เพราะแม้แต่คุณเองคุณยังมีอะไรอะไรเป็นเพียงนี้เป็นตัวเป็นตนหมดสุขทุกข์คุณก็ยังมีอจากทวารภายนอกที่กระทบอยู่เนี่ยตามอุปทานที่คุณยึดไว้ยังมียังเป็นยังมีอซึ่งจะมากหรือน้อยหรือว่าจะจัดจ้านหรือเบาบางอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามอุปทานคือความยึดที่ถือว่าจริงนั้นนนั้ๆเท่าที่คนผู้นั้นยังจะมีเหลืออนุสัยอยู่ของแต่ละคนเพราะอนุสัยนี่มันจะสุดปลายเลย เพราะฉะนั้นเหลือแต่สญาบเป็นกามานุสัยวมาไปตต้นเลยก็ไปภาวนาุใสอีกมันก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนะจนสุดท้ายอภิชานุใสมันจะหมด น, ะนรกเพราะทุกสวรรค์เพราะสุขจึงมีอยู่ในภาวะที่เรียกว่าจิตวิ ญ, ญญาณด้วยประการชนี้สุขกับทุกนี่เป็นนามันทําแต่แท้แล้วนะไม่ใช่ตัวตนแล้วนะเพราะฉะนั้นยาวแค่ตัวตนคุณยังติดแงกแงะอยู่ที่รูปร่างแล้วเมื่ อ, อไหร่จะ หลุดพนไอ้ตัวรูปร่างอยาเป็นมิติกรรม ก, กิเลสสักทีหนึ่งมาเอานา ม, มาทําในขนาดสุดทุกข์นี้ก็ยังหมดศูนย์สุดทุกข์ก็ศูนย์นะจึงหมดทุกข์ริยสัจนะเพราะฉะนั้นไม่มีหวังหรอกไม่มีอีกเมื่อไหร่คุณจะหมดทุกขอริยสัจนี้ได้ชาตทั้งตัวคุณยังเอาออกไม่ได้เลยกำมอม า, มานั่งคลําหางช้างอยู่นี่เราบอกจะเอาออกแล้วคุณยังไม่มีวิธีรู้จะจะทำปวยกาให้ออก ไอ้ของหยาบหยาต้นตนง่ายๆไอ้นี่ก่อนทั้งในความรู้สึกทั้งในความรู้ว่าไอ้นี่ควรจะออกออกก่อนทิ้งก่อนมันก็จะมีปัญญาที่รู้ชาดิว่าไอ้นี่ทิ้งได้ป่นนี้มันต้องเอาแล้วตัวเองก็ไม่อยากมีแล้วไอ้นี่คุณยังรักชอบมันอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องมันด้วยซ้ำหางช้างนี่นะเรื่องมามุ่นอยู่กับไอ้หางช้างนี่แหละยังไม่เคยไปเรียนรู้ตั้งแต่ต้นต้นตัวช้างบะเออบะลาหัดเอาออกวิธีกรรมกิเลสยังไม่ได้เคยเรียนเลยนะ มันก็เลยสับสนเอาหัวเป็นปลายเอาปลายเป็นหัวเอาหางช้างเป็นหัวช้างเอาตัวช้างอะไรพมดสับสนนะผู้ได้กาจัดอนุสัยสิ้นเกลี้ยงอนุสัยเจ็ดสิ้นเกลี้ยงอนุสัยเจ็ดหรือสิ้นสังโยชน์สิบอย่างเที่ยงแท้นิจังยังยืนทุววงสัตจะตะลอดการสัจ ต, ตังไม่แปรเปลี่ยนอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้อสัหิรัง ไม่กลับกําเริอบอสัศนกุปปังแล้วจริงเท่านั้นที่จะหมดสิ้นทุกสิ้นนรกสิ้นสุขสิ้นสวรรค์เป็นนิพพานผู้ที่ตายทางร่างกายแตกสลายไปแล้วกายสะเพทานนะเหลือแต่จิตหรือวิญญาณนั้นอยู่ผู้ที่ตายร่างกายตายนะจิตวิญญาณยังเหลืออยู่นะอยู่ในภพที่ไม่มีร่างคนเป็นๆนี้แล้วไม่มีร่างของคนเป็นๆนี้แล้ว เขาพวกนี้ก็มีอัตตาปิลาโภคือการได้อัตตาแน่นอนโดยไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากมีอยากได้เลยมันต้องมีแน่นอนตราบี่คุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณยังยึดยังมีอนุส้ายยังมีอาสวะยังมีตัวกิเลสคุณต้องมีอัตตาอยู่เพราะ<ถ>งั<ก>้นคุณจะปฏิเสธว่าไม่ใช่อัตตา แต่ของคุณยังเหลือสภาวะพวกเจพบปบในชาติพวกนี้อยู่คุณก็ต้องมีอยู่งั้นแต่ถ้าผู้ใดยังมีอุปทานอยู่ไม่สิ้นเกลี้ยงอุปทานในขันห้ายังไม่สิ้นอนุใสเจ็ด ย, ยังไม่สิ้นอวิชชาแปดเป็นต้นจึงมีสุขมีทุกข์มีสวรรค์มีนรกอยู่จริงไม่หมดไปจากอนุสัยมีสวรรค์มีนรกอยู่จริงไม่หมดไปจากอนุสัยคือกิเลสขั้นปลายอนุใสคือกิเลสขั้นปลที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน และยังหลงสังขารก็มีสังขารอยู่เขาปรุงก็แต่งอยู่ในใจอยู่ยังไม่จบสิ้นหายไปจากจิตวิญญาณแม้ตายไปไม่มีร่างกายแล้วก็ตามเขาก็ยังมีทุกข์มีสุขมีนรกมีสวรรค์อยู่จริงยังเป็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์ที่เป็นรูปร่างให้เขาเห็นกันเขาเห็นกันเองของเขาเห็นองค์เาเองแต่เขาไม่สามารถเห็นคนอื่นหรอกแต่เห็นคนอื่นได้เมื่อหลงผิดในอัตตาขั้นมโนมยอัตตา เหมือนคนเป็นๆที่อัตมาอธิบายแล้วเขายังเห็นจิตวิญญาณเดินตรงยงย ง, ยงเขาก็เนรมิตขึ้นมาสาเร็จด้วยอัตราของเขาปณุมยอัตราของเขาสำเร็จด้วยจิตของเขาเองแม้เขาก็มาให้นคนที่เก่งตาทิพตาทิพเห็นจิตวิญญาณเดินได้ยงยงเสื้ออยตมายกตัวอย่างนี้ขอเสียเสียเวลาอีกนิดนึงยุกสึนามิคนตายเป็น กองเป็นพันๆกองในระเนรนาศนอนเคะ้าหมดเลยนะไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าลูกว่าต่ามาตามหาศพของญาติตัวเองตายหาจนควายเลยนะถ้าไ อ, ไอตัววิญญาณมันมีตัวมี ต, มตนมีรูปมีร่างได้มันก็มาบอกนี่พ่อตายอยู่ตรงนี้นี่น้องตายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ใช่ไหมก็มาควักมาบอกมาอะไรจะได้มันไม่ได้ปรากฏว่ามันมีอย่างนี้เลยคนตายต้องเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตายโหงด้วยเร็วๆด้วยจะเป็นอย่างนี้สดๆเลยมันไม่มีรูปร่างตัวตนมันไม่ไปติดต่อกับใครมันไม่ไปสัมผัสอะไรกับใครได้มันเอกจรรังอัศรีรังเอกจรรังมันตายแล้วมันก็ไปตัวเดียวๆไม่เกี่ยวกับใคร นี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากที่จะต้องเรียนรู้ตรงและตั้งแม้แต่ความเข้าใจเป็นทิฏฐิก็ต้องเรียนรู้ให้ดีๆแล้วเวลาไปปฏิบัติจริงเนี่ยถึงจะตรงกับสภาวะที่เราเข้าใจแต่ถ้าคุณเข้าใจอย่างเพี้ยนอยู่คุณก็ไปไปปฏิบัติคุณก็ได้ตรงกันที่คุณยังปทิฏฐิคุณยังเพี้ยนอยู่นั่นแหละจะวิชาทิฏฐิเท่าไหร่คุณก็ไปตรงกันตรงนั้นก็เออบรรลุแล้วเช่น คนคิดว่านิโรดนี่คือการดับจิตดับสัญญาดับเวทนาไปดำปีใ น, ในภพข้างในพวังคุณก็ปัดปัน้นคุณก็สร้างยงกับท่านคุณได้อันนี้โอ้ได้นิโรธแล้วนิโรธนิโรธของคุณก็เป็นอย่างนั้นทัานเดียยกันสัตว์ที่คุณจะปั้นเป็นตัวตนรูปเดียวตัวเดีจะเป็นมโนโมยอัร ต, ตาคุณนอนฝันคุณก็เห็นตายไปคุณก็มีตัวตนบนที่คุณฝันนี่แต่มันไม่มีจริง เหมือนอาตมายืนยันว่าในโลกนี้นี่คําโกหกมีไหมคุณเคยโกหกไหมเออแต่มันจริงไหมล่ะโกหกอะ่ะในญาติดียวกันเลยมันไม่มีจริงหรอกแต่คุณมีจริงเพราะคุณมีนะหรือแม้แต่คุณไม่มีคุณเห็นคนโกหกคุณก็เข้าใจแล้วว่าเขายังมีโกหกอยู่เขาก็มีที่เขาคุณไม่โกหกเลยคุณไม่มีนะใช่ไหม แต่คุณก็รู้คุณก็เห็นเขาตามเขาว่าเขามีอาตมานีนรูปเขาโกหกเขามีรูปอาตมารู้ว่าเขามีจริงๆเพราะเขาโกหกจริงๆแต่อาตมาไม่มีแล้วนะอาตมาไม่ได้โกหกแล้วนะอาตมาก็ไม่มีของอาตมาเข้าใจไหมเอออันนี้ชัดเจนขึ้นเนาะอาตมาไม่โกหกแล้วไม่มีโกหกอาตมาก็ไม่มีแต่อาตมา รู้ว่าเขาโกหกแล้วเขามีของเขาอ่ะเขามีเขาทําเขามีดีไม่ดีบางคนเนี่ยยังไม่เนึกว่าตัวโกหกเลยพวกนักการเมืองนี่หลายคนไม่ได้นึกว่าตัวโกหกตลบตะแลงต่อแหลอยู่นี่จนกระทั่งเอ๊ะมันโกหกหรือไม่โกหกยังไม่รู้เลยว่าตัวโกหกหรือไม่โกหกเห็นโกหกเป็นตัวจริงกันหมดเลยเยอะเลยขพอะไรที่อาจจะมาแวะไปแหวน ไปพูดแว้งเขาภาษาไทยสุภาพิตเขาเรียกว่าไปพาดพิงแต่อาตมาพูดให้มันชัดแล้วก็ไปแว้งเขา <c oughs> เอาลอ้อาตมาเลยเวลาไปเยอะแยะมันน่าอธิบายนะเพราะงั้นคนสรุปขระก่อนว่าคนที่ยังยึดถือยังมีสภาพพวกนี้อยู่ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีสุขมีทุกข์มีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นรกสัตว์สวรสรค์มีรูปมีร่างตามที่เขาอย่งอุปทานนั้นๆซึ่งสัตว์นรกและสัตว์สวรรค์นั้นยังมี ยังมีรูปร่างในะเวบสรีละตามทิฏฐิที่ทยึดถือทิฏฐุปาทานผู้นั้นผู้นั้นของผู้นั้นผู้นั้นมีอย่งอยู่อย่างไรมันมีอยู่จริงอัตมาไม่งงคุณแปดเ็ดศูนย์ห้าบอกว่าตายไปมันมีนโลกอย่างนั้นเจิงมันมีอยู่โพธิรักไม่รู้โพธิรักไม่เห็นโพธิรักไม่เข้าใจ อาตมาว่าอาตมาเข้าใจคุณพูดและรู้ว่าคุณหมายถึงอย่างไรคุณต้องมีแน่นอนแต่อาตมาสิไม่มีอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะอาตมาตายไปก็ไม่มีออกมาไฟขออไฟอวดดีปวดตัวอวดตนมากไปขออไฟจริงจริงเพราปัจจุบันนี้อาตมาก็ไม่มีแล้วตายไปอาตมามัก็ย่อมไม่มีทําใจในใจของเรามณสิการใจของเราจนมันไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้ ตายไปแล้วมันจะเอาอะไรมามีอนี่เราันรู้ต้องบรรู้ตั้งแต่เป็นเป็ น, นี่คือการพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้สผัดเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นสมนัยนี้วาระนี้ขณะนี้ตอนนี้คุณก็ไม่มีแล้วแล้วก็มันก็ทุกสมยัยทุกเลยนั่นเลยอ่าอดีตปัจจุบันทุกปัจจุบันที่สัมผัสคุณอดีตที่คุณสูญสูญูหมดเลย อนาคตไปอี ham, están, กเก oui, yep, ิดชาติหน้าเออเกิดกี่ชาติกี่ชาติอนาคตโมศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนยียวพเจ้าสอนอาตมาให้ฝึกเวทนาร้อยแปดจนกระทั่งส่วนนดีและส่วนอนาคตเที่ยงเป็นอภิชาข้อที่เจ็เนี่ยอาตมาก็หยิบมาอธิบายสู่ฟังศึกษาดีๆแล้วคุณจะเข้าใจสภาวะธรรมธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธเจ้านี้อธิบายได้และยืนยัน ตามที่ท่านสอนเอาไว้ในสุดวิเศษไม่ง่ายที่จะรู้นะอ้าเอาละสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเท่าไหรกันนะอาตมาบรรยายคนเดียวเลยเวลาก็าไปทั้งหลายนาทีแล้วนี่ประเด็นก็ส่งกันมาพอสมควรนะอ้าวทีนี้ไว้ค่อยต่อไม่มีปัญหาหรอกอันนี้อาตมาจะต่อไปเรื่อยเพราะเรื่องพวกนี้เรื่องปรมัติสที่สําคัญที่จะต้องศึกษาเรียนรู้กันจริงๆนะ ดอกเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาอีกทีหนึ่งประเด็นที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์ที่จะบอกได้ขอบอกเชียวเดียวนะบนจอมีอยู่ดูที่จอก็ได้สําหรับผู้ที่วิทยุจดมือวิทยุไม่มีจอไม่มีโทอซื้อให้เห็นเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขคือศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้า กับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกสองหมายเลขบอธยวเดียวน่าจะบอกชัดชาอยู่แล้วอาต่อมาตอบประเด็นเจ้าแรกนี้มาจากผูกฝังทางวิทยุของปฐมโศกหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดเก้าหนึ่งพวกครูเป็นคนจริตอะไรครับผม ในจรินน mm. Yours, ตถกนะพรากลัวเป็นจริตอะไรในจริตถกนะมันมีพุทธจริตมีมีปพุทจริตปัญญาเออไม่ใช่ขอภัยพุทธิมันทธิมันอยู่ตัวท้ายมีราคะจริตโทสาจริตโมหะจริตสัพพจริตพุทธจริตวิตกัคจริตจริตทั้งหกนะอาจจะมามีจริตอะไร อันนี้มันมันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ง่ายนะนะมันไม่ง่ายนะเพราะว่าจริตนี่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมาสร้างใหม่พุทธิปัญญานี่มาสร้างใหม่จเจริญสมบูรณ์ได้แต่จริตนี่มันคือสิ่งที่มันติดฝังมาในวาสนาจริตนี่ฝังมาในวาสนาวาสนาแปลว่ามันยังอยู่ ติดแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังมีวาสนามันยังมีอันนั้นติดอยู่อย่างภาษาดีบทนี่ติดลุกมิตรุกมิตุกยิงเหมือนลิงเพรเกิดเป็นลิงนานมากอันนี้เป็นต้นหรือไกลๆพระพุทธเจ้าจะยกตัวอย่างเยอะเป็นพระอรหันต์แล้วยังพูดหยาบเรียกใครก็ไอ้ถอยไอ้ถอยอะไรตลอดเวลาเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างอะไรต่างเยอะทั้งแยะนะเป็นอรหันต์แล้วอะไรก็ยังติดอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของจริตหรือวาสนานเพราะฉะนั้น อาตมาจะบอกว่าเดาก็เดาจะบอกว่ารู้สึกเองก็รู้สึกเองอาตมาเนี่ยจะบอกว่าพุทธที่หรือปัญญาก็เชิงนั้นแต่คนอาจจะเข้าใจยากนะอาตมาว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นนะพุทธิจริตนั้นนี่สดดนสดง่างก็เตือนะว่าพอท่านจะตอบว่าพุทธิจริตนะครับเพราะพุทธิจริตนั้นท่านว่า ยังต้องกระทําแก้ด้วยอย่างอื่นอยู่อีกใช่คนที่มีทางปัญญามากพุทธิเนียเป็นปัญญาก็ต้องทําเสริมศรัทธานะต้องเสริมศรัทธาพุทธิก็ต้องเสริมศรัทธาศรัทนะ ธ, ธ, ธาจริศศรัทธาศัทาจริตก็ต้องเสริมพุทธิปัญญามันมันก็ถูกแล้วมันต้องแก้แต่พุทธิสมบูรณ์แล้วหรือมีจริตอะไรจริงๆก็คือร่างเงาของจริศอันนั้น สองขอทราบว่าลีลาพฤติกรรมผู้มีราคะจริตลีลาพฤติกรรมผู้มีโทสะจริตลีลาพฤติกรรมผู้มีโมหจริตเ <ME> <IL> มื่อมารู้ธรรมจะมีนัยยะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนัยยะที่ผู้ที่มีจริตต่างๆนี่เหมือนกันตรงนิพพานนิพพานเหมือนกันหมดแต่จริตไม่เหมือนกันหรอกจะยังคงอยู่ภาษาริบุตรก็จริตอยากภาษาริบุตรพโมคะลาก็อ่ Colon างพโมพะคะลาพระกสปะก็จริตพระกสปะ นะไม่ไม่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดมีเยอะทางจริตหรือวาสนาเนี่ยนะต่อมาที่ว่าสติควบคุมจิตได้มากเท่าไหร่นะสติควบคุมจิตได้มากเท่าไหร่ปัญญาก็เพิ่มพลังขึ้นมากเท่านั้นถูกต้องไหมคะนะสติควบคุมจิตได้มากเท่าไหร่ปัญญาก็เพิ่มพลังขึ้นมากเท่านั้นถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกทีเดียวสติคือ เจตสิกหนึ่งคือรู้รู้พร้อมรู้ทั่วรู้ทั้งนอกในมันเป็นธาตุรู้ที่รู้ยังไม่ได้อธิบายมากสติคือรู้อง์รวมมันมีสัมปชัญญะมันมีสัมปช a นะมันยังมีอะไรต่ไรอีกที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นเจตสิกละเอียดลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติอย่างเช่นคนปฏิบัติสติรู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยเขาก็ปฏิบัติสติรู้โดยรีบตัด ไม่ได้เรียนรู้ตามไม่ได้พิจารณาตามเลยอนาไรนั้นี้นี่เลยไม่ได้ไม่ได้ทําเลยแล้วก็พิจารณาลงไปสติรู้อยู่ตอนนี้กระทบสมัมผัสมัมีภาษาอะไรมันมีเวทนาอย่างไรมันมีจิตอย่างไรในเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือในกายในกายมันเป็นยังไงไม่ได้แทงลึกกไปถึงในกายในเวทนาในจิตในธรรมอย่างทะลุเลยแล้วก็แยกออกว่าอะไรเป็นอกุศลธรมรมอกุศลจิตอะไรเป็นกุศลจิตอยาไปทําลายอกุศลจิต ทำลายแต่อกุศโลจิตแล้วคุณจะรู้ว่าจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเพราะฉะั้นดับอกุศโลจิตหมดเลยนี่หมดภัยแล้วคุณก็จะรู้ว่าการดับจิตนั้นจิตมันไม่เที่ยนจิตมันไม่ใช่ตัวตนดับมันได้และดับมันศูนย์ก็จะเข้าใจด้วยปัญญาตัวเองเลยว่าจิตมันไม่ใช่อะไรเลยมันเกิดจากเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อดับอกุสโลจิตได้หมดอคุสลจิตไม่ต้องไปดับ ถ้าคุณไม่ตั้งลงยังลงในจิตคุณไม่อกคาถาไม่ให้มันมีการยังลงไปในจิตอีกเลยอกทาถเนี่ยชาติท่าชาติสัญชาติ 6. อกอกกันติพอเอาไปอกกอกกันติไม่ใจะอกอกทาก็ะยังลงเหมือนกันแต่ยังลงเป็นตัวรวมกว่าเรียกว่ายังลงเป็นอมตะอกคาถายังลงเป็นอมตะแต่นี้ยังลงในการเกิดเรียกว่าชาติในชาติชาติสัญชาติอกอกันติ นิพพัตติอภินิพพัตติโอกันตินี่คือถ้าคุณไม่รู้จักว่ามันหยั่งลงอาการของจิตที่มันหยั่งลงนั้นคุณไม่รู้ว่ามันตัวกุศลหรืออกุศลหยั่งลงถ้ามันหยั่งลงไปถึงถึงรอบเพรมันเรียกว่าเกิดได้พอหลายๆหลายๆตัวหนึ่งสองสามเกิดแล้วรอบหนึ่งสี่ห้าหกเกิดอีกเจ็ดแปดเก้าเกิดอีก หน่วยมันละเอียดเรื้เล็กเหลือเกินหน่วยของจิตวิญญาณน่ะแต่พูดให้เป็นสัญญาเลขให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมันอกมันไถ่แล้วนในโล ก, กธธุตรจิตเกิดเพราะคุณทําให้อักุศลหรือโลกียะจิตมันตายอันนี้ตายอันนี้ก็เกิดเพราะการเกิดที่คุณทําให้การยังลงของการเกิดเป็นโลกีหรือเป็นโลกี้ยะ ตัวอกกันติจึงเป็นตัวกลางของชาติชาติสัญชาติก็คือเกิดมาแล้วและมันก็ยังมีสัญชาติอยู่ตามมาคุณกําหนดรู้คุณยังไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ล้างอะไรมันเลยมันมีตัวหนึ่งคือการเกิดลืมเป็นปัจจุบันหรือรวมหมดเลยทุกอย่างครับกาาเกิดนี่รวมรวมหมดเลยทุกเกิดนี่เรียกว่าชาติชาติปิดทุกขาสัญชาติคือไอสิ่งที่คุณมีมาแล้ว ปกติก็มาเปลี่ยนแปลงมาปฏิบัติใหม่ถ้าไม่ปฏิบัติคุณก็อกติมันก็ยังลงเป็นของเก่าของคุณอยู่นั่นแหละเป็นปุถุชนอย่างเดิมเลยเจนกระทั่งมันได้คุณสมบัติสูงขึ้นเป็นนิพพติมันก็เกิดเป็นโลกุตระบุคคลหรือเกิดเป็นอริยะบุคคลไปเรื่อยๆอภินิพพติมันก็เกิดสมบูรณ์เลยเป็นนิโรธเป็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะ เพะะนันก็บอกว่าสติควบคุมจิตได้มากเท่าไรปัญญาก็เพิ่มไม่ใช่ต้องครบในปัญญาที่จะรู้นะในภาคปฏิบัติว่าต้องมีการสัมผัสรู้แล้วก็ต้องพิจารณาเห็นกิเลสตัวสมุทัยตามอริยสัจและคุณก็กําจัดอริยสัจทุกอริยสัจเหตุแห่งทุกอริยสัจนั้นตามประหารห้าตามประหารห้าคุณก็ตรงกระทั่งพ้นิสรณประหารนะสองเจอปุ๊บรักปับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะมันเกิดจากอะไรเพราะครูบอกนี่แหละตัวเวนเวนยังไงคะ <c oughs> มเจอปุ๊บรักปั๊บนี่นะมันมีได้สองในในยะหนึ่งเจอปุ๊บรักปั๊บก็คือมันมีของเก่าเพระสัมผัสนิสชาตญาณปุ๊บเลยอ่ารุกปลุกปับ๊บเวนที่จะต่อเวนในเวนมอม มันเวียนยังไงนี่หลมันเวียนต่อเวียนก็คือคุณไม่มีจบหรอกเกิดเรื่องกันเป็นเวลานูเวนมีเหตุปัจจัยแก่กันและกันคือไม่มีการตัดขาดมันจะมีแต่นวนนังแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ฝันถ้ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะรู้จักลดจักรล้างนะคุณจะรักก็รักกันไปพยาบาทก็พยาบาทกันไปแล้วคุณก็ไม่ได้ลดได้ล้างอะไรหรอกเขาเรียกว่าตัวที่มันไม่จบมันก็เนื่องต่อกันไปเป็นเหตุเป็นไฟายต่ออีกกี่วัฏจัก เจอปุ๊กระปับนั้นหนึ่งคุณไปเชื่อเชื่อโลกนี่มอมเมาคุณแล้วคุณก็ไมแหนอยากได้วไว้อย่างนี้อยากได้ถ้าได้งนี้พอเจอปุ๊บอย่างที่ตรงกับสเปกอย่างนี้เมองมมมมถูกมอมเมาถูกครอบงำตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องออบุเพนะไม่ใช่เรื่องเก่านะติ่ปุ๊ปกปุ๊ระปับมันมีเชื่อเก่าก็ว่ากันไปนี่ไม่เก่าแล้วคุณก็ไปเชื่อโลกนี่มันมอกหลอกมอมเมาโอ้โหตรงสเปกเลย เจอปุบก็รับับเลยทุม่มอมองใหม่ก็ได้สองไหนยนะหน้าอ่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาสอบแล้วครูบอกว่าและตวเวร น, นี่เวรคือมันมันไม่จบพวกอยู่เวร น, นี่คือพวกจะต้องไปทําหน้าที่พวกเวรกรรมเนี่ยเวรอยู่เวรนี่พวกทําหน้าที่จะต้องนั่นแหะโอ้ยไปไหนก็ไม่ได้มันเวรต้องอยู่เวรติดเวรภาษาไทยก็ชัดอยู่ เอามาใช้ในความหมายที่เวราก็ภาษาบาลีนั่นแหละแต่นี้แหละมันเวรมันไม่รู้จักจบมันนวนังกันจบเรียกว่าเวรต้องอยู่ต้องติดต้องผูกอยู่เรียกว่าเวรทานไฟเก่าคุได้เพราะอะไรใ น, วนเวลบนี้ไม่พ้นเพราะคุณไม่ตัดมันคุณไม่ล้างมันมันก็คุที่ถ้าล้างมันหายเกลี้ยงเลยมันไม่มีคุแล้วจบสิ้นหมดมอดเชือ้อ คนเราทำไมถึงรักกันชายหญิงมันเป็นธรรมชาติหรือกิเลสจะชนะมันได้ไหมได้ต่อวันหลังก่อนปฏิบัติให้ถูกเป็นสมาธิถี่เึอจบมันจะรักกันนี่หมายถึงทางเพศนะน ะ, ะมันเป็นธรรมชาติใช่มันเป็นธรรมชาติของปุถุชนของสัตว์โลกโดยเฉพาะเป็นคน โอ้ยหลอกกันจังเลยสัตว์มันก็อย่างทำสัญชาตญาณของมันนะมันก็มีเป็นอย่างๆแต่ละชาติแต่ละสัตว์แต่ละประเภทมันก็รักกันโอ้ไอสัตว์บางชนิดมันเป็นคู่หัวตัวมีหัวเดียวมีเดียวด้วยนะสัตว์บางชนิดนี่มันไม่มีนอกใจนอกกายอะไรกันจะตายจากกันอัตมาเลี้ยงนกฟินช์ฟินช์ตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งมันไปนอนตายด้วยอีก ฟินช์ไลท์ลายพันอัตมาตะ่อนเลี้ยงนกแต่ไปฆราวาสทาลังทำอะไรมันอยู่มันมันก็มันตายผู้ปูคตัวเมียตัวหนึ่งตายมันอีกตัวนึ่งมันเข้าไปตายตันั้นมันไม่ออกมากินอะไรแล้วมันก็ตายน่ยมันทึกอย่างงั้นเลยนะมันมีนกเนี่ยอันนี้นกเจ็ดสีนะอันนี้นกเจ็ดสีฟินช์อันฟินช์อัตมาก็เล่นซื้อแพงนกเจ็ดสีราคาแพง ฟินช์นิดหลายหลายชันหลายตระ ก, กูลไอ้พวกนี้อะไรลืมชื่อแล้วนี่ก็เรียกสีออสีม่วงสีเทาเนี่ยเรียกอาจมาเรียกฟินช์หลายทำกรงไซอูที่บานตะก่อน <c oughs> มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นกิเลสในธรรมชาตินี่มีกิเลสเพราะฉะนั้นบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติถูกโลกีธรรมะที่เป็นโลกุตระไม่มีชาติ เป็นธรรมะสะอาดสะอาดชาติกะระู้จักชาติแล้วให้ชาติเกิดตามที่เป็นจิตเขาพูดนั้นดูแลได้มีสัจจานุโลมิกยานสามารถที่จะให้เกิดเท่าไรเท่าไรนะความรักทำไมถึงผูกมัดใจยยคนไว้ได้ง่ออิชาไม่เรียนรู้ให้จริงแล้วก็ไม่ล้างกิเลสหมดอตอบต้องเรียน ต้องเรียนความรักสิมิติหรือเปล่ า, าเรียนดีมันมีคุณค่ามันมีความชัดแต่ยังไม่ละเอียดหมดหรอกอถือสาเพื่อนน้อยใจงอนนางเล็บเพื่อนรักกับคนอื่นทำไมไม่เป็ น, นงเล็บทุกก็คุณไม่ได้ยึดคนยึดกับใครคุณยึดกับอะไรคุณก็เป็นกับคนนั่นแหละคุณเลิกยึดกับเขาคุณก็ไม่ต้องเป็นแล้วพูดง่ายเนาะ ทำไม่ได้สิจริงทำไม่ได้คุณก็ไม่มีหกศู 47, นย์สี่เจ็ดนนบุรีดิฉันมีปัญหาจะขอคำแนะนำจากพวกครูเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินชีวิตหากเรายังต้องอยู่ร่วมกันกับผู้ที่เป็นคนดูดายไม่มีจิตอาสาเลยทั้งที่ผู้คนรอบข้างเขาซึ่งรวมทั้งดิฉันด้วย ตางก็มีน้ําใจช่วยกิจธุระของเขาเสม อ, อช่วยช่วยเขาเสมอซ้ำนะแต่เขาก็จะเอาธุระแต่บารุงบําเลอตินไม่เคยมีน้ําใจที่จะทํางานการสุทํางานทําการส่วนกลางอะไรเลยโดยเขาจะมีคาถาประจําตัวว่าทำไมเขาพูดเปิดตัวทําแล้วไม่ถูกใจก็ไมเขาพูดปิด มีคาถาประจําตัวว่ากลัวทําแล้วไม่ถูกใจไม่มีน้ําใจทํางานทําการกับคนกลางเลยกลัวทําแล้วไม่ถูกใจคงจะหมายความว่าถ้าเราจะช่วยคนกลางนี้กลัวทําแล้วไม่ถูกใจคนคนกลางแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอมีคาถาลึกด้วยนะกลัวจะไปกระทบกระเทือนใจคนอื่นที่ไปช่วยไปทำโอ้โหคนนี้มีเหตุผลดีไว้เออ กันตัวเองออกมาจากการช่วยผู้อื่นได้ได้อย่างสนิทเลยเนาะกลัวทําแล้วไม่ถูกใจเอ้ก็เลยไม่ทําอะไรเลยเคยพูดแล้วหลายทีแต่กลายเป็นทะเลาะกันแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โหคุณนี่คอยจับทุกๆเม็ดเลยนะแต่ติดติเม็ดแต่ครั้งเดียวทั้งที่เขาก็ใช้ประโยชน์จากส่วนกลางด้วยทิฉันเห็นบ่อยๆ ก็อดที่จะโกรธไม่ได้อ้าวโง่ก็โกรธทำไมเราชั่วของเขาทำของเขาเขาก็เติมคะแนนของเขาที่ชั่วนั่นแหละกรรมทุกกรรมเป็นของตนกรรมมศกเขาทำชั่วตัวนั้นถ้ามันเป็นจริงมันเป็นชั่วตัวจริงมันตักกิเลสเขาจริงมันก็เกิดเป็นเหตุปัจจัยใหญ่ๆเขาเป็นคะแนนของเขาเป็นวิบากของเขาทุกตัวไปนะ กดไม่ได้ที่จะโกรธโกรธไม่ได้ทุกวันนี้ใช้วิธีเดินหนีห่างออกไปจากเขาพูดคุยกับเขาเท่าที่จําเป็นเพราะมีจิตเครืองในความเห็นแก่ตัวของเขาดิฉันควรปฏิบัติทําในใจอย่างไรดีคะเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความเครืองนี้ให้ได้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ฟังธรรมจากพระครูก็จะต่อว่าแต่หลังจากฟังธรรมคําสอนจากพระครูแล้วก็จะพยายามคมไม่พูดออกมา แต่ใจมันยังขุนยังเคืองอยากเอามันออกไปแต่ทำไม่ได้อัตมาก็ยกตัวอย่างบ่อยนะไอหมานี่มันคันขี้เรือนจะทำยังไงเอยถึงจะให้มันมันหมดคันขี้เรือนตกสิจะทำยังไงให้มันหมดคันคันเพราะมันมีขี้เรือน มันเนืกว่ามันคันเพรอนอนตรงนี้คันมันก็ลุกไปนอนตรงนอนนอนตรงนั้นคันมันก็จะไปคันอีกมันก็เลยไปแช่น้ํามันก็คันอีกมันออกจากัน้ามามันก็คันมันไปกระโดดโลดเต้นมันก็คันเพราะมันไม่ได้ล้างเหตุคือขี้เรือนของมันชั้นเดียวกันคุณเองคุณไปยุ่งอะไรกับเขาจิตของคุณไปติดยึดเขาจะทําไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นบุญเป็นกรรมมกรคเป็นของของเขา ถ้าคุณเห็นใจของคุณอาจจะบอกว่ายึดดีทาไมมันไม่ทาดีวะยิดดียึดดีคุณก็สร้างดีของคุณสิทําดีของคุณสิแล้วมันก็จะเป็นของคุณคุณไปยึดแทนเขาทำไมพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าคนพวกนี้ไปทํานาผู้อื่นไปทํานาผู้อื่นระวังเขาฟองบุกรุกนะ ก็อยู่ดีไม่ว่าดีไปทํานาผู้อื่นหรืออีกภาสาหนึ่งก็คือเสือใส่เกือกไปยุ่งก็บเขาทําไมเขาจะทําไม่ดีก็จะทําดีมันเป็นกรรมสกับเป็นของของเขาเข้าใจตรงนี้ให้ชัดถ้าคุณจะสงสารเขาคุณก็จะแค่สงสารก็พอไม่ต้องไปขึดนทัดว่าอะไรว่ทําไมไม่ทําดีวะยันยุตดีเกินไปเขาค่อยพูดเขาค่อยจา ก็ อ, อ, อธิบายถ้าสมมุติว่าพูดยังไงมันก็ไม่แก้ไขพูดยังไงมันก็ไร ก, ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมเขาสิที่สุดท้าต้องพรห ม, มทันตัดปล่อยก็เรื่องของเขาแล้วพรห ม, มทันคือเขาจะเป็นจะตายเงี้ก็เรื่องของเขาขาคตรงเขาก็ทําเขาก็ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเขาก็ไม่เชื่อชัๆๆ่วเชื่อดีเขาก็ทําชั่วหรือเขาไม่รู้ก็ง้อของเขาอยู่นั่นแหละบอกเท่าไรก็ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจสุด ยากที่จะสอนก็เหมือนกับคุณไปสอนอคุณไปเป่าควายให้ปีฟังละ่ะก็เรื่องเป่าควายไปปีฟังปีมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดีไ่ดีถ้ควายมันขิดเอาจปเป่ามา <c ười> <c ười> ันเป่าควายให้ปีฟังนี่หนักกว่าเข็นเขาขึ้นครกนะมันภายภยมากกว่าเข็นเขาขึ้นครกเข็นเขาขึ้นครก น, ขขนรกี่คุณไปเข็นยังไงเขาก็ไม่กระดิก แต่คนเค้นเขาขึ้นครุกไม่ได้หรอกแต่ไปเป่าควายให้ปีฟังนี่หนักนะดีไม่ดีควายมันํำคานควายมันค่ขอขึ้นมาแนละ้วมันควิดเอาตายนะอย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องรู้เขารู้เราให้ชัดอรู้ส่วนตนรู้ของตนรู้เอโกเอโกนี่คือส่วนตนของตนทำที่ต น, น เพราะฉะนั้ น, นพระเจ้าท่านตรัสว่าอจตังอรูปะสัญญีเอโกปหุทาตุปาณิปสติครณก็ทําให้เป็นอิโมกกันนี้ได้โดยเอโกโดยส่วนตนเขาก็ไปแปลเอโกนี้ว่าคนผู้หนึ่งเป็นของหยาบเอาไปติแปลมันในนัยยะหยาบมันก็ไม่ผิเดเอโกมันก็แปลว่าคนหนึ่งคนใดคนเดียวก็ได้แต่นี้มันเดียวจริงๆส่วนตนเลยของตนเองเท่านั้น เดี๋ยวจริงๆเลยเป็นนามธรรมจัดการตรงนี้อาจจะตังค์อรูปสัญญีก็ทำของตนเองตรงนี้อย่งนี้เป็นตน้นน ะ, ะสรุปแล้วก็คือคุณก็พยายามพยายามลดละคนตนเองให้ได้แล้วก็พยายามรู้ตัวว่าเขาคือเขาเราคือเราใครทําชั่วก็อ้าวเห็นใจเขาก็ดีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักพอ น, นะนรับเปนอย่างอย่าไปยึดดีเกินจนกระทั่งว่ามันดีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดีแตกนะ ต่อมาคุณเจ็ดแปดสองสองบอกว่านีฉันเป็นคนชอบฟังเพลงมากโดยเฉพาะเพลงเก่าแต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ฟังก็ไม่รู้สึกโหยห า, หาหรืออยากฟังอะไรแต่เวลาขับรถจะเปิดฟังตลอดอย่างนี้จะถือว่าติดการฟังเพลงไหมครับเอาตัเปิดฟังตลอดไม่ติดคุณก็จะไปเปิดมันทำไมอะนะ ไม่ติดี่คุณก็แงเอาไอ้เพลงนั่นออกจากรถด้วยมันไม่ติดอะนี่มันยังติดอยู่เลยในรถแม้ติดถ้าคุณไม่ติดคุณก็ไม่เปิดใช่ไหมอธิบายผู้ถูนะแต่นี่คุณติดคุณก็ฟังนอกจากคุณก็อ่านใจคุณว่าเออเราฟังดูหน่อยฟังโดยที่เราไม่ได้อยากเสพอยากอะไรหรอกคุณต้องอ่านจิตของคุณได้ว่าจิตของคุณมีเสพหรือเปล่าอาการเสพอย่างละเอียดเบาบางระหูตา คุณทําได้ไหมเอาดารามาโชว์อะไรล่ะโอ้เนะยเอาดาราตายไปแล้วสักนั้นเอามาโชว์อะ่ะ <c oughs> เอานี้ยังไม่ตายนะเนี่ยพระเอรอ อ, อะไรเพชรชรานี่ยังไม่ตายนะ ต, ตาบอดมาหลายสิบปีแล้วยังไม่ตายเพชรชราแต่ยังเห็นว่ายังยังเคยว่ายังโอ้โหยัง อายุคงเจ็ดสิบกว่าแล้วละ่ะนะตอนนี้เจ็สิบกว่าแล้วอายุอ้าวตอบไปแล้วนะต่อมาปุทถัพพยานุปัสสนาญานกับจุตูปปาตญ า, านเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโอ้จะยาว น, าอ น, นอ ะ, ะอันเนี้ยเอาเรสั้นๆหน่อยก็แล้วกันปุถัพพยานุปัสสนายา น, ยานนี่แปลว่าปัญญา ความเก่งของปัญญาเมื่อปัญญาหรือความรู้ธาตุรู้นี่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเราเรียกอีกศรรัพท์นึงวยย่าญาณญาณหรืออภิปัญญาอุทพัพปญโนปสนญาณนั่นก็คือญาณที่เห็นความเกิดความตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดความดับเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่เห็นวงวัฏจัความวนข้อควกการเกิดขึ้นตั้งจะระไปสูงมีญาณปัญญา สูงมีความเจริญของปัญญาสูงกว่าสมะสนาญาณสมะสนาญาณก็เคยก็ เ, เริ่มเห็นรู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็ไปหาดับไปเออทุกอย่างก็ดับพออุทัภิญญุปัสนาญาณก็เห็นว่ามันไปหาดับมากกวาเกิดมันจะลึกซึ้งไปว่าโอ้โหทุกอย่างนี่มันทุกอย่างต้องพลากจากกันทุกซูลไม่มีอะไรที่จะ เกิดแล้วก็ตั้งอยู่นานก็ตายคนตายนี่ตายไปแล้วกว็จะได้เกิดนีนานกว่าคนเกิดเกิดแปดสิบปีร้อยปีเอา้าให้ร้อยกว่าสองร้อยก็ได้อา้าวเท่าลีชุนยุนเนาะสองร้อยห้าสิบหกหรือสองร้าสิบสี่จไม่แม่นละสอง้อสิสี่หรือสองร้สิบกปีเอา้าต่อให้คุณมียาป่านนั้นน่ะคุณตายไปคุณยาวกว่านี้ ตามวิบากที่คุณจะต้องไปใช้วิบากส่วนมากับวิบากนรกเพราะวิบากสวรรค์นั้นแว บ, บเดียวแวบบเดียว ส, แบบยสวรรค์โดยเฉพาะสวรรค์ที่ไม่ใช่ปัจจุบันตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีสวรรค์ความจำแปบ๊บเดียวแล้อยากจะมีอีกคุณต้นดึงขึ้นมาอีกสวรรค์นั่นนะแบบปรบปุงสวรรค์ต้องปรุงนะสวรรค์นั้นปรุงไม่ได้แต่อุปทานนี่ไม่ต้องปรุงหรอกมัน เป็นอนุสัยเลยมันนอนเนื่องมันขึ้นมามีฤทธิ์มีเดชเลยเป็นอุปทานเป็นตัญหาขึ้นมาในภพที่ไม่มีถวาวรแล้วนี่แหละเป็นอย่นี้ทุกจึงนานนรกจึงยาวนะอุทธพญายานสรุปแล้วก็คือยานที่รู้ความดับได้ลึกซึ้งขึ้นตัวปัญญายปัญญามันเอไราจะไปหลงไอ้ความไม่มีความดับที่เป็นมากกว่าความเกิดด้วยความตั้งอยู่ ต้องค้นขวายนะเจอให้มันเกิดจะต้องให้มันตั้งอยู่เนี่ยแต่ไอ้ดับเนี่ยมันมดนยังไงมันก็ต้องดับอ่ะคุณอร่อยแล้วคุณจะหยุดอรอยบ้างไหมคุณดีใจแล้วคุณจะหยุดดีใจบ้างไหมคุณสุขแล้วคุณจะหยุดสุขบ้างไหมคุณหยุดสุขเพราะสุขมันเกิดอาการที่คุณปรุงถ้าไม่ปรุงคุณก็ไม่มีคุณก็เฉย แต่อุปทานทคุณไม่ได้ล้างนี่มันนานนะมันจะอยู่ฝังนอนเนื่องเป็นอุปนิสัยอาสวะอุปทานอยู่ในก้นมึงต้องล้างให้หมดแล้วมันก็ถึงจะไม่มีเกิดไม่มีตัวเหตุเกิดทีนี้จุดตูปปาปาตญาเ น, นั้นเ็นความเกิดความดับของการปฏิบัติแล้วสูงความววาาามันเป็ น, นตัวโอ้จุดตูปปาปาตญามันเป็นญาณตักปลายไปเลย ตัวปลายในวิชาแปซึ่งไม่ได้อยู่ในโรลยานจตุปปาตยานไม่ได้อยู่ในโรลญานจตุปปาตยา น, น, ายา น, นเห็นความเกิดตั้งแต่หยาบชาติสัญชาติอกันตินิพพติอภินิพพติเห็นความเกิดและความดับจนถึงขั้น เห็นความเกิดโมริบูนอภินิพัติเกิดนิพพานอภินิพัตินะกูจะเห็นความเกิดความดับเพราะฉะนั้นเกิดเป็นพระอาหารหันต์ก็คือดับกิเลสได้สนิทหมดมีตัวดับมีตัวเกิดคุณดับกิเลสลงไปคุณก็เป็นอริยะบุนคคลไปเรื่อยดับหมดเป็นอาหารหันต์เกิดเป็นอาหารหันต์แล้วจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์แล้วท้าวอนแล้วไม่มี กิเเกิดอีกจุยู่ตะวปปา ร, ป ร, ป ร, ปรตยานนั้นจึงเห็นความเกิดความดับที่ลึกและกว้างใหญ่กว่ากันส่วนอุทัพยานุปัจนาญานั้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับที่สูงขึ้นถ้าไปถึงพังคานุปัจนาญานที่ต่อจากอุทัพยานุปจนาญานลงไปอีกก็ยิ่งเห็น เป็นเรื่องที่ไปหาความสลายหรือความไม่มีหรือความสูนนี่หนักสูงก็้ิอีกสูงไปกว่าอุทพยานุปัสนาญาณจนกระทั่งไปถึงพยาตูปฐานญาจก็เลยเห็นตัวเองว่าโม่ อ, อะไรมางม ง, ง, ง, ง, ง, ง, งๆคําสิ่งที่มันหายไปแล้วก็ดับไปสิ่งที่ไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีจริงญาณบัญญาจะเห็นความเป็นอ น, นัตตาสงูงขึ้นมันไม่มีตัวตนมันมีจริงมันไม่เที่ยงไปยึดความไม่เที่ยงจะบ้าเลย มันจะมีความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ที่เป็นประมาสต์สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเห็นภัยเห็นโทษอาทีนุวานุปัสนิยานโอ้โหมันไม่ใช่คุณเลยเจ้าพวกคุณเลยเห็นความชัดเจนแล้วมันไม่ใช่คุณไม่ใช่ข้ามันโทษโทสามันเป็นภัยยานที่เห็นโทษเห็นภัยมากยิ่งขึ้นคุณเห็นอะไรเป็นภัยเป็นโทษคุณก็กลัวทั้งนั้นนะคุณก็ทิ้งคุณก็ไม่เอาใช่ไหมสัญชาติญาณของใครธรรมดาไว ยิ่งปัญญามันยิ่งชัดเลยโตนี่เป็นตัวเป็นไปเเช่นถ้าเราจะไปทำชั่วเอาง่ายๆโกรธนี่เป็นเป็นชั่วที่ดีคนที่อนญาปัญญาเห็นแล้วว่าไอ้โตไอ้โกโกหก 6, โกรธมันไม่ดีเขาก็จะพยายามเรียนรู้จนดับพอได้แล้วล้างเห็นมันได้แล้วเขาจะไปโกรธอีกทำไม เขาจะไปโกหกอีกทําไมโกหกก็เป็นกรรมโกดนก็เป็นกรรมมโนกรรมเขาจะไปทําขึ้นทําไมเขาเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วนึกซึงนะอุทัพยานอุปเสนยานกับมันจุดตุปรปาตยานเห็นความเกิดความดับนั้นจะไม่ใช่แค่เกิดร่างกายเท่านั้นเห็นความเกิดความดับเห็นความเกิดก็ามดับประมาทนึกซึง จนก็ต้ังถึงนิพพานเกิดเป็นภาษานะคือความดับไม่ไม่เหลือของกิเลสหมดนิพพานก็เกิดนิพพานเกิดผู้มีนิพพานก็เป็นพระอรหันต์ะนะมโนมยตตากับอรูปอตตาล้วนเป็นอตตาที่เกิดในภพใช่หรือไม่กามขออัย โอราลิกาตาก็เกิดในภพบภพมโนมินมยะตานี่นะมันเกิดได้ทั้งข้างนอกเกิดได้ทั้งข้างในอธิบายเมื่อกี้วันนี้ก็อธิบายแล้วตาเขาไปเห็นรูปเห็นวิญญาณมันเดินโยงโยงมันข้างนอกนะเห็นวิญญาณมันเดินโยงโยงมันไม่มีคุณกนีระมิตรขึ้นมาเองเป็นสาเร็จด้วยจิตของคุณปั้นมีรูปมีร่าง อธิบายไปแล้วบางทีไม่เอาไม่อธิบายต่อโดยยาวนะอย่างนี้เป็นต้นมโนมย์อัตตากับอรูปอัตตามาโนมย์อัตตาตัวกลางสําเร็จด้วยจิตหรือสําเร็จด้วยจิตที่ศูนย์หรือสำเร็จด้วยจิตที่มีอัตตามาโนมย์อัตตาส่วนอรูปนั้นความหมายของสภาวะที่มันไม่มีรูปไม่มีไม่มีไม่มีมมอรูปหมายความว่ามันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่รูป รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตอนนี้มันอารูปคือรูปที่มันไม่รู้จะเรียกภาษาอะไรก็เอาพยัญชนะมาแทนว่าอารูปมันไม่มีสภาวะที่อยากไปรู้แล้วมันนา ม, มาทำเป็นอาการลิงคะนิมิตรละเอียดก็ไปตัวปลายอ่ะรูปตัวปลายอ่ะจนสุดท้ายมันหมดอรูปก็คือตัวปลายนะเป็นตัวในภพทั้งอ่านอกก็เป็นภ พ, อ, น อ, นพอธิบายแล้ว จุดหมายปลายทางชาวโศกนั้นถึงหมดความอยากสิ้นความเสพอาการหมดความอยากก็พอจะได้สัมผัสบ้างแต่สิ้นความเสพหมายอย่างไรมันไม่เสพเสวยมันไม่เสพรสมันไม่เสพรนสรนี่แหละจะเป็นรสกรามหรือเป็นรส ร, รูปรสหรืออรูปรสก็ตามมันไม่มีเสพรสโลกีรสนี่มันไม่เสพโลกีรสใดๆเลย แต่ในทางกลับกันโลกุตระมันไม่เป็นรถมันมีแต่หมดรถหมดรถหมดรถโลกีและมันก็มีหมดรถมาจึงว่างเสพความว่างถ้าจะว่าไปแล้วก็คือไม่ไม่เสพอะไรเพอจะใช้วหารภาษามันก็ได้แค่นี้มันเป็นสิ่งที่ใช้ภาษาแทนสิ่งที่มันมันไม่มีอะไรแล้วยากอุปาทายรูปยี่บสี่ นั่นหมายว่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการทั้งห้านี้ต้องเรียนรู้ถึงยี่สิบสี่รูปในแต่ละนามหรืออย่างไรถูกต้องเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการนี้คืออย่างนี้นเวทนาคือตัวสภาวะที่มันจะเกิดยุประจำเลยสุขทุกข แต่เวหจนาสุขไม่นาทุก์มันจะเกิดประจํานละคนก็ทุกข์กับมันตรงนี้และแสวงหาสุขกับมันตรงนี้ในโลกคุณก็ต้องใช้สัญญาเป็นตัวนามาทมําของเราเหมือนกันเพื่อที่จะสร้างสัญญานี่เป็นปัญญาเมื่อสัญญาก็จะทําการกําหนดรู้ ก, กําหนดไม้และก็สั่งสมผลเป็นความจําเป็นความจําสั่งสมเป็นสมบัติสั่งสมเป็นสมบัติเมื่อสัญญามันสามารถเรียนรู้ ก, กําหนดรู้ตัวสมุทัย ดับกิเลสได้มันก็เป็นสมบัติสั่งสมลงไปเวทนาก็ลดลงลดลงในการจะเกิดการปฏิบัติเวทนาลดลงได้ต้องมีผัสสะไอ ต, ตัวที่สามในนั้นในหน้า น, นามธรรมต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเสมอแล้วคุณจะได้ปฏิบัติตัวจริงเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ใช่ปั้นรูป้อยลมสมมุติเอาติกตักตเอาไม่ใช่ เห็นอยู่สัมผัสอยู่มแม้จะเป็นนามธรรมขนาดนาไหนจิตเจตสิกรูปขนาดไหนคันโอราริกะคันอรูปได้ทั้งนั้นนะคุณต้องมีจริงนะเสร็จแล้วการจัดการกับเวทนาจัดการกับสังขารขอไปเจตนาอาตมาอธิบายผ่านเจตนาไปหน่อยเจตนาคือตัวจิตมันจะมุ่งหมายคุณต้องรู้จิตมุ่งหมายอะไร เจตนาสามโนสังเจตนาสามมุ่งหมายในกามเบรกว่ากาตัณหามุ่งหมายในภาวะภวะตัณหามุ่งหมายในให้ไม่มีพบวิภวะตัณหา<ฮ> <ed> คุณก็ต้องรู้เจตนาของคุณว่าต้องการไม่ให้มีพบและคุณเรียนรู้พบเป็นหรือเปล่าการเกิดที่มันจะเกิดแล้วมันเกิดมันก็มีพบคุณล้างตัวเกิดนี่ได้หรือเปล่าล้างเหตุเกิดนี่ได้หมดหรือเปล่าคุณล้างเหตุเกิดนี่ได้ มันก็ลดลงไปจริงตามเหตุตามปัจจัยเมื่อลดลงไปแล้วหมดพบกามหมดรูปประพบหมดอรูปประพบหมดคุณก็หมดพบวิภาะวะไม่มีพบแต่คุณมีเจตนาเป็นกุศลทั้งสิน้นพอคุณจบแล้วคุณไม่มีเจตนาเป็นกุศลทั้งสิน้นอ่า เพราะฉะนั้นจึงจะต้องเรียนรู้เจตนาสําคัญเลยสุดท้ายจะเจตนาหรือไม่เจตนาคุณก็ปฏิบัติอย่พระอระหันต์จะทำด้วยเจตนาอะไรเจตนาต้องเป็นกุศลไม่มีอกุศลและไม่มีตัวตนด้วยไม่ได้พูดเราพูดตัวเราของเราด้วยอย่างนี้เป็นตน้นเป็นสัจจะความจริงนะ เพราะงั้นจึงมีเจตนาและมีผัสสะบอกแล้วอธิบายไปก่อนแล้วว่าผัสสะนั้นจะต้องมีปานปฏิบัติจึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตและคุณจัดการทําอย่างนี้ได้เนี่ยคือมณสิกการทําใจในใจคุณจะต้องรู้ว่าคุณได้ทําใจในใจคุณได้มณสิกาหรือมณสิกโรติคุณได้ทําใจในใจของคุณนะทําอย่างไรคุณก็ทือต้องดัดแปลงต้องปรับปรุงต้องอะไรอะไรเป็นวิการรูปเนรูปที่คุณรู้คุณปรับปรุงมันได้เจอกระทั่งจิตของคุณ แต่เก่งเลยอุเบกขาจนอุเบกขามีคุณสมบัติหอย่างสมบูรณ์ปริสุทธาประโยชธาตามุทุกกรรมปัญญาปภัสราสมบูรณ์เลยเป็นอุเบกขาที่มีเมตสีของห้าองค์ธรรมนี้บริสุทธ์ตลอดปริโยธาตาก็ขาจะขาวงตลอดจะกระทบสัพัสก็มีสัจจานลมวิจยานหรือมีสังขารุเปขายานสูงสูงสูงูงง ง, ง, ง, งมีมุทุภูต ธ, ธาตุจิตไวจะทุกขเร็ว ทางชิงปัญญาไวๆทางตัวเจตัวเองก็เปลี่ยนเป็นนั่นเป็นนี่ได้ง่ายเป็นวิการรูปที่ดัดแปลงได้ง่ายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเร็วๆ เ, เ, เ, เป็นมุทุภุต ธ, ธาตุมุทุตาอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นคุณสามารถที่จะทำใจในใจของคนจนสมบูรณ์อย่างนี้นั่นคือนามมาทำห้าอย่างนี้คุณจะต้องมี พ, พรัชพรมาเรีกสมบูรณ์ในตัวของมัน ต้องเรียนรู้ยี่สีบสี่นั้นเป็นนัยยะเมื่อกี้อาตมาพูดถึงอุปาทายรูปวิการรูปบ้างบ้างที่มันแจกไปเยูตั้งถึงมุทุตาบ้างเมื่อกี้นี้ละหุตาบ้างหรือแม้แต่กายกรรมมัญญาถึงก็อยู่ในวิการรูปหานี้เหมือนกั น, น ยี่บสี่นั้นคือวิธีการจำแนกนามหรือคืออะไรหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็นั่นแหละอธิบายไปเมื่อกี้นี้เมื่อเมื่อผ่านมาต้อนยี่สิบสี่นั่นคือรายละเอียดของนามมารมอุปาทายรูปเริ่มต้นกายนอกกายแล้วก็สัมผัสแล้วก็ต่อเข้าไปเป็นกายในกายเป็นองค์ประชุมของทั้งพว่วงเอาทั้งที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายก็ไปด้วยเป็นกายในกาย กายในในกายนี่คือองค์ประชุมของเวทนาสัญญาสังขารหมดเจตสิกสและมันก็มีเวทนามันปรุงแต่งคุณก็เอาสัญญาเรียนรู้กำหนดรู้นี่แหละทั้งหเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วเวทนาสัญญาเจตนาปัสะมนสิการนั่นจนกระทั่งสามารถปรับตัวเจตสิกพวกนี้ได้สมบูรณ์นะคุณก็จะละเอียดลงไปทั้งนั้นไม่ทิ้ง อุปาทายรูปย4สี่ตั้งแต่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีโคเจรรูปมีรูปรกปิ่นเสียงสัมผัสมีอ่ามีภาวะรูปอ่าภาวะอิทธิภาวะปุริสภาวะมีอะไรอีกอาตมาก็ยางท่องยังจำไม่ค่อยได้ครบเท่าไรเลยนะมีหัทททายรูปอ่าสัปที่ไหนตั้งอยู่ที่นั่นจิตนะมีชีวิตรูปชีวิตรูป คือสภาวะที่เป็นก็ชีวิตนั่นแหละมันมีกําลังของอินทรีย์ของกําลังชีวิตชีวิตของกิเลสมันโอ้โหแข็งแรงนะเนี่ยโอ้โหค่อยลดลงมากว่าจะอินทรีย์มันกว่าจะเบาลงเบาลงเบาลงค่อยจะอ่อนแรงลงอว่าจแงบแงบกวาจะตายตายแล้วฟื้นนิดหน่อยแงบขึ้นมาอีกก็ได้เอาให้มันเกลี้ยงจนกระทั่งมันไม่ไม่ฟื้นอีกเลยอสร้างกุปปังตายสนิทก็รู้จักชีวิตรูปนะอุปอาหารรูป ตั้งแต่มันประกอบไปด้วยองค์ประกอบเป็นกาวริงกระลาหารเป็นผัสสะหารมโนสัจเจตนาหารวิญญาณอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งจะก่อเกิดกิเลสจากสิ่งอาศัยอาหารหรือสิ่งอาศัยพวกนี้ทั้งนั้นอาศัยตั้งแต่อาหารที่เป็นกาวริงกินเข้าไปนี่กิเลส จ, จมอยู่ในนั้นนะหรือคุณจะผัสสะผัสสะก็เพชรสวยผัสส ะ, ะอะไรก็แล้วแต่ผัสสะธนบัตรผัสสะสารพัดนะนะพวกนี้ ทั้งนั้นมโนสันเจตนายังมีอา ก, กุศลเจตนาอะไรกามภาวะตัณหาจนพ้นเป็นวิภาวะตัณหาอย่างนี้เป็นต้นคุณก็จะต้องรู้เครื่องอาศัยพวกนี้จนกระทั่งสุดท้ายคุณอาศัยวิภวะตัณหาอยู่โดยคนไม่มีพบแล้วอัตมาท่านว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเขามีวิภาวะตัณหาแต่คนเข้าใจติดพยัญชนะว่าท่านไม่มีตัณหาแล้ว อาจมาเอาคาว่าตัณหามาเรียกโอ้ว่าจะมาเอาไปว่าบุญเจ้าตูวๆบุญ เ, เจ้าบาปตายตายชักนะออจจะมาว่าอาจะมาไม่ได้โตอาจะมาเอาสภาวะมาพูดนะซึ่งอธิบายฟังว่าม า, มานอารตันตนาท่านให้ตายสินะตัสรูแล้วรีบตายท่านบอกไม่ตายเราเราจะสร้างศาสนาให้มีอุปสงค์เวสิกามีพิสุพิษุณีจงกระทำปรับละบาวะทะอะไ ร, อรขอพูดเร็วๆหมดมเวลามหมดล้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือท่านตั้งเจตนาอยาก น, านั่นแหละฉันทะนั่นแหละอากังขาวจรของท่านนั่นแหละยังมุ่งมั่นอยู่ว่าท่านจะอยู่ทํางานจะเรียกว่าต้องการหรืออยากหรือประสงค์อะไรก็ตามใจก็ได้ทั้งนั้นนี่คือวิพวัตนาแล้วท่านไม่ได้มีภพของท่านนี่ทาไมในพระสร้างเพื่อพบกามาพบลูกประพกรูพกรูปพกของท่านไม่มีเนี่เพราะคนติดตัวพยัญชนะอยู่ก็เจ็ง มันก็ไปไหนไม่รอดโดยศึกษาแล้วไม่รู้จักสภาว่ารมคุณก็ไม่ได้ทำอมะคุณก็ติดอยู่ที่ภาษานีที่อาตมาต้องเอามาเป็นประเด็นในการอธรบายของคุณแปดจ็ดศูนย์้าเนี่วนอยู่กับภาษานั้นเมาอยู่นั่น เ, นเรียนมากรู้มากยิ่งวนมากนะเพราะฉะนั้คงจะมาอีกเยอะแปดจ็ดศูนห้ายังไม่จบหน้าหรอกมัเป็นลายประเด็นที่ซ้ำซากพอแล้วอาตมาก็ไม่ประเด็นใหม่ที่คุณจะอธิบายอีกอาตมาก็จะอธิบายนะเอามาอธิบายเป็นประโยชน์ มาตีงูให้กากินอ่ตออาต่อมาใหเวลามันหมดตอนนี้ยอ้าวต่ออีกสองแผ่นอ้าวเอาของหนูน้อยนี่บางลายมือเนี่ยเด็กชายแก้วแววชานอ่าตอนหลวงปู่เป็นเด็กออรู้แล้วนะว่าหลวงปู่เคยเป็นเด็กก็เปล่าถามอย่างฉลาดนะว่ารู้ว่าหลวงปู่เป็นเด็กตอนหลวงปู่เป็นเด็กหลวงปู่ชอบเล่นเกมยิงปืนหรือเปล่าครับ อ่าอ่าวตอบไมา่ยาวทำไมตอบได้ยาวนะอาตอมาเคยไม่เคยเล่นปืนไม่เคยซื้อปืนในชีวิตนี้แต่เล่นปืนอ่าไอมะไอมะพร้าวกลับมะพร้าวนี่นะไม่ใช่การกล้วยกามะพร้าวที่บ้านหลังบ้านมันมี เ, เขาปอกมะพร้าวกันกาับมะพร้าวแล้วมะพรา้ว า, พราวที่มันงอๆหยิกๆเป็นรูปปืนมันง อ, งงองงงๆหยิก โอยเป็นเลือกกันย่างกันยังไงดีย่างกันอ่าได้คนละอันสองอั น, นเสร็จแล้วก็หลบมีปืนอแล้วก็หลบซ่อนป้องเอาปืนมาอันหนึ่งไม่เสียปืนเสียปืนไงคุณไหนถูกป้องคนนั้นอต้องเอาปืนของคุณมาหนึ่งอันอแล้วก็หลบก็ดีใครป้องใครก่อนคนนั้นเสียปืนใครหมดตัวหมดแล้วคุณไม่มีปืนคุณหมดตัว แม่ยังมีเล่าได้เยอะไม่เคยซื้อปืนเพปืนสมัยอะไรสมัยยุคพระสิกโตแล้วแต่เวลาไม่พระาสติกก็ไม่เคยเส้นปืนซื้อปืนไม่เคยยุ่งนะไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทพันธ์ทั้งหลายไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าปืนไม่ว่าลุกศรไม่ว่าอะไรมีดดงมีดดาบไม่มีมีแต่มีดหั่นผักหั่นพืชอะไรแต่ใช้สองหลวงปู่ตออายุไขยังไงครับผมถามครั้งที่แล้วหลวงปู่ยังไม่ได้ตอบผมครับ ผมอยากให้แม่อายุไขต่ออายุแม่ต่ออายุแม่ต่ออายุออายไขครับอ่าเออเอา้าวต่ออายุอย่างไรตอนนี้ก็อธิบายละเอียดไม่ได้นะอธิบายสรุปแม่สรุปให้เด็กชายแก้วแววชาญฟังเยียจะสรุปยังไงวุ้ยี .4 ทับหนึ่งนะแก้วแววชาด ก็ต่ออายุก็คือมันมีการยืดยาวได้ทั้งร่างกายกับจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณนี่แหละมันลึกซึ้งนะเราจะต้องทําจิตวิญญาณของเราเนะี่ยอย่าให้มันมันสปาร์กสูญเสียสูญเสียพลังงานเป็นพิษเป็นภยัยแก่จิตใจเราตนเองเพราะนุทธทีอ่อริยะสูงขึ้นเป็นอรหันต์อรหันต์ยิ่งสูงเท่าไรก็ยิ่งสามารถที่จะทําให้ จิตวิงตนเองเนี่ยสูญเสียไม่สมดุลแต่น้อยความไม่สมดุลเพราะงั้นจะไม่สูญเสียเลยและสมดุลนี้ได้ดีได้มากในทางจิตวิญญาณไม่ทําไม่ทําให้ร่างกายตายร่างกายคนร่วมกันมีพิษมีภัยเข้าไปนี่สรุป ง, ง่ายๆตัวร่างกายสรีรา ก, ก็เหมือนกันเพราะงั้นตอนนี้โอ้โหเอาพิษออกเนี่ยิตจังตอนเนี้ยนนี่คิตมากตอนนี้เอาเอาล่ะ อีกอันหนึ่งแก้วแววชาญแปลว่าอะไรครับอนะแก้วแปลว่าดีแววก็แปลว่ารันสีชาญก็แปลว่าเก่งชํานาญอแก้วแววชานก็แปลว่าโอ้โหมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นทั้งแก้วทั้งแววทั้งชาญนะแก้วแปลว่าดีอนะแววก็แปลว่ารันสีชานก็แปลว่าเก่งสามารถชํานาญชาญนะดีไม่เล็กชื่อมีของเก่งๆทั้งสามตัวเลยอาอันนี้สุดท้ายแล้วกัน เวลาเข้าไปแล้วโสดาบันจะเข้าใจทางไปนิพพานแจมแจ้ง <c oughs> โซดาบันจะเข้าใจทางไปนิพพานแจมแจ้งดุด ด, ดูกระดาษบนฝ่ามือจะพูดเกินไปไหมครับเกินจ้ะโสดาบันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโสดาบันยังยังไม่รู้รอนุสัยได้เก่งเท่เทาไรยังไม่รู้รายละเอียดเท่าไร แต่เริ่มต้นรูท้ทิศทางที่จะเข้ากระแสโซตาปรรณับเลยว่าเข้ากระแสจิตจะเข้ากระแสโลกุรตระซึ่งอาตมาก็อธิบายอธิบายว่าทางไปโลกุตระทั้งนี้ทางเป็นโลกิยะทั้งนี้โสดาบรรจะรู้จุดแล้วเช่นทําใจในใจเป็นรู้จากตัวกิเลสสักกายะดูตัวตนสักกายะแม้จะไม่ค่อยชัดแต่รู้เลยว่าเนี่ยตัวนี้กิเลส มันอยากอยากโกรธอยากโลภเป็นจนหยับยาไปนะและคุณก็ทําให้มันโลดโลดโลบล ด, ลดทําให้โทสะลดนั่นแหละเริ่มต้นที่คำพนะก็ตามกดข่มกฏตามแต่ถ้าจะเป็นอ่าสดาบันแท้ต้องปัญญาวิปัชนายางเต็นต้องทําให้โดยพิจารณาให้กิเลสลดจางลงเป็นตะพังกัประหารมีคำพนักประหารจริงๆยังไม่ใช่ตัวแท้แต่ต้องอาศัยเทวานั้นเอง พระโสดาบันอย่างน้อยทําให้กิเลสลดเป็นสั ก, กายะจนพ้นสิลัสตัป่ามาคือมีวิธีทําเชิซตัปปามาก็คือไม่ใช่รู้จากกิเลสแล้วก็รูหลุดคลามันอยู่นั่นแหละไม่สงสัยเลยกิเลสจ้ากิเลสจ้าต่อให้คุณชัดกิเลสยังไงแต่คุณก็ไม่มีวิธีหรือมีวิธีแต่ไม่เอาจริงเอาจสิงทีเอแมจะสด็จมันอย่าเพิ่งเดิ น, นอยู่กับมันตะกอดเยอะเลยเนี่ยจะบอกให้อย่างเดียวเอาสุขมันอยู่ก่อนเออจะก่อนมันไปอีกกิศชาติ อ่าอ่าวสรุปแล้วก็คือคุณจะต้องไม่โสดาบันจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยยังไม่กระจ่างชัดหมดหรอกอ่าอันสุดท้ายปฐมประสค์จากปฐมประสงค์เป็นข่าวอา่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามกอคอนี้แม้พอดีเกือบหลุดล้วเนี่ยอันอีกาอี อ, าอันจะมีฝากข่าวหรืออะไรสำคัญหรือเปล่าม่รู้2ยี่สิบถึงยี่บสามกอคอนี้จะครบหนึ่งปีของการจัดค่ายชวนคนเข้าวัด อ๋อเน้าคณะมงกีของการจ้าค่ายเสนอคนที่ยี่ส oh, hmm. ิบยี mm ่สิชีวิตดีทีละ9ซึ่งเป็นโอกาสเดียวกับการเข้าพรรษาด้วยอ๋อเป็นโอกาสเดียวกับการเข้าพรรษาด้วยจึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจทุกๆท่านที่ใฝ่เจริญต้องการบําเพ็ญบุญเนื่องในการละเข้าพรรษามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกับชาวปฐมโศกโดยติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่อ่าจดเบอร์โทรศัพท์อ่ใครสนใจก็ไปเข้าค่าย เรียกว่าชีวิตดีทีละเก้าชวนคนเข้าวัดชีวิตดีทีละเก้าตอนนี้เป็นพอดีมันจะเข้ากับเทศกาลเข้าพรรษาแล้วเบอร์โทรศัพท์คือผู้จยติด ต, ต่อน่าสนใจ0896607724 อ, อีกทีหนึ่ง0896607724 อ้ า, อานอกนั้นยังเหลือตอบไม่ทันตอบไม่หมดก็เขาจบกันแต่เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน